ทีเนี้ยมันก็จะเดินไปถึงองค์ฌานสี่เลยคือมันเรียงปจิรวมใหญ่มันยังมันแค่วิโตวิจารณดับไปเป็นฌานที่หนึ่งแล้วถ้าไม่มีคนแนะนำไม่มีคนแนะนําไปไม่ถูกมันไปเร่อยๆไปไม่ถูกอ่ะไม่ได้มีคนแนะนำมันไปมันไปง่ายๆเนี่ยมันไปแต่ดูธรรมดาถ้าถ้าถ้าถ้ิตรวมใหญ่ผมจะรู้ว่าจิตถ้าจิตรวมใหญ่นะถ้ามีคนแนะนํามันจะไปเรียงมันจะเรียงเขาจะเรียงอารมณ์ให้ แต่ถ้าไม่มีก็เขาก็จะอพอจิตลมใหญ่ปุ๊บเอาจิตลมใหญ่มามาเพี้ยนม า, มาพิณาไอ้ร่างกายจิตใจเนี่ยพิารณาจิตเนี่ยเราไม่เข้าไปจิตมั่นถือมันอันนี้ก็เดินแบบเป็นยาต่อไปเลยไม่ไม่เป็นเจโต อ, อถ้าเจโตมันจะมีคนแนะนํำปุ๊บจะไปเป็นวิจกวิจารดับไปแล้วก็เข้าสู่พิจิแล้วก็ให้ให้ทรงพิจิเป็นเลือดสี เข้าขออกทรงไว้พิจนาจะเป็นวสีแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเป็นเป็นสุขแก่สุขก็เลื่อนขึ้นไปเป็นอุ้เบขาคือคือไปทรงไปทรงเข้าเข้าออกทรงไว้แล้วก็พิจารณาจํานานแล้วก็ทุกตัวทุกวน ก, ก, ก, กลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้คลองแก้วว่องไวอันนั้นก็จะเป็นเป็นเจโตเป็นเจโตวิมุตติเนียบว่าเป็นสมาบ า, รรากาเป็นวสีไป ก็หลับไปเจ็ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้มันมันขึไปเป็นคนละทานแล้วขาดตอนเอานขาดตอเลยเป็นคนละทานทันนี้ก็มันจะไปสายปัญญาวิมุตติเอาพอมพิติพอจิตรวมสดทล้วก็เอามาเข้าสู่จิตเห็นจิตหรือพิจารณากายแล้วก็เข้าหาผู้รู้เข้าหาผู้รู้แล้วก็เห็นให้ผู้รู้เนี่ยมันส่ต่อเวทนาสัญญาลังขามันติดตองแดงที่ติดตองแดง มันไม่อปล่อยรู้ไม่ยอปล่อยรู้เพราะว่ามันมันไม่มันไม่ปกเข้ามห็นไหมไอ้ผู้รู้ที่ส่งต่อวิชาและญาทั้งฐานที่มันติดตอม่ะไม่มีใครแนะนำอ่าเขาไมีใครแนะนํามันจะมันเอาตัวเราไปรู้แต่มันไม่ปกไม่วบกลับมันไม่ไม่ไม่ชวนกระแสไม่ชวนกระแสข้อหาใจเมื่อเราใจไปรู้แต่ไม่ชวนกระแสข้อหาใจไม่มีใครแนะนำแต่พอรู้นั่นพับปอได้หมดเลยจะปล่อยบทดนี้มันต้อพอปล่อยปล่อยเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่ไม่ชวนข้อหาผู้ปล่อย มันไม่ชวนข้อหาผู้ปล่อยใช่ใช่ชวนขหาผู้ปล่อยแล้วก็ปล่อยวางผู้ปล่อยไม่อยไม่ต้องชวนชวนกระแสชวนกระแสก็หาผู um ้ปล่อยใครเป็นผู้ปล่อยถามถามใจถามถามผู้รู้ถามถามธรรมใครเป็นผู้ปล่อยเนี่ยปล่อยวางใครเป็นผู้รู้รักปล่อยวางใครเป็นผู้รู้รักปล่อยวางก็ตัวเราเนี่ยหรือใจเนี่ยผู้รู้รักปล่อยวาง แล้วตัวก็หาตัวกระแสก็หาใจแล้วปล่อยวางใจที้ลอ่าอ่วปล่อยวางผู้รู้แล้วปล่อยวางใจผู้รู้แล้วก็ปล่อยวางผู้ปล่อยวางแล้วมันจะอย่างนะนี่อย่า ง, ย ง, งอย่างมันก็จะเข้าไปถูกความบ้างแต่ในความบ้างก็จะมีขันหา้าอยู่ในความบ้างก็เห็นอยู่งั่นแหละแล้วก็ พอเห็นเห็นได้เห็นความว่างแล้วไอ้จิตวิญญาณี้กิดดับในความว่างแล้วก็ไม่ยึดถือความว่างแล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งยืดยืดยืดยปล่อยวางความว่างทีความว่างก็ก็ปล่อยวางความรู้เห็นก็ปล่อยวางคือปล่อยวางความรู้เห็นด้วยปล่อยวางความว่างแล้วปล่อยวางสิ่งยี่ยืดยืดคือก็รู้เห็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ใจก็ไม่มีใครไม่มีไม่มีผู้เข้าไปยึดถือ สุท้ายมนจะีอยู่สามตัวไอตัวไอตัวสังเกตคือตัวสติสมาี่ปัญญาเนี่ยจะสังเกตไ้แล้วก็เห็นใจที่วางเปล่าแล้วก็เห็นไปขันห้ามี่ทางานที่กุ๊กยิกอยู่ในใจที่วางเปล่าแล้วสามตัวเนี่ยมันไม่มีใครยึดไม่มีใครยึดตั้งสามตัวไม่มีใครยึดไอตัวที่สังเกตแล้วไม่มีใครยึดไอตัวที่ยุกยิ๊กยิ๊กแล้วสูดสำคัญที่สุดคือไม่มีใครยึดฟางเมล่าเรียกว่าเรียกว่าวางหมดจริง มาหลวงพ่อมีเรืงงง่งมาน้คะน้นเปอมาคที่หลวงพ่อถามบอกว่าจากการเข้าเจโตแล้วมีการรวมใหญ่แต่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่มีการรวมใหญ่มีใช่ไหมครับใช่ใช่กฎของการไม่ได้อธิบาที่ไม่ได้รวม <c oughs> จิตทีไไ่ไม่ไม่ไม่รวมใหญ่มันก็มีเหมือนกันจิตที่ไม่รวมใหญ่มันก็พวนี้เขาก็เอา เ, เอาเนี่ยเอาความรู้รู้รููรููเนี่ยเป็นเป็นขึ้น อ, อยู่ไปเลย คือคือเอาเอาเครื่องที่ที่รู้เน่ยเช่นไงคนพิณาอาตุปากรรมฐานนี่ยความตายหน้าเปิดอูบพังนเนี่ยเขาก็เอาไอ้ความรู้เนี่ยรู้ความตายเน่าเปื่อยบุพังนเน้าเปิดอยบพังนเน่าเปิดอูบพังอันนี้ไม่ลวงไม่ยึดกันไม่ลวงไม่ลวงคือเอาความตายหน้าเปิดผูบพังเนี่ยเป็นเครื่องรู้รู้รู้เข้าจับอสตุปากรรมฐานขึ้นมาร่างกายตัวเองกายหน้าเปิดอยบุพังสลายไปแล้วก็จะค่อยหายไปยุบไปเป็นดินน้ำลมไปเป็นความบ้างแล้วก็น้อมกลับมาอีกพิจารณนี้เนี่ย มันไม่มันไม่รวมทําไมก็ไม่รวมพวกนี้มันจะไปเอาไอ้ไอ้สุภธรรมฐานนะความตายหนอกส่วนความเนี่ยเป็นเครื่องเป็นเครื่องอยู่เลยมันก็รู้รู้อย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งรู้มันยิ่งปองยิ่งลงปองทีละเปอร์เซ็นต์ทีเปอร์เนเปอร์เซ็นต์เปอร์ซเป็ตปง่อยวางปองปวางปองปวางทีเปอร์เซ็นต์มันก็กาะติดจนกระั่งมันมันเพลินเพลินกับการรู้เห็นอะเนี้ยแล้วมันไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนมันคือทั้งวันไม่มีเวลามันก็เพลินเพลินเพลิน ใจมันก็พองบางาเปอร์เ็นพงไปไปไปแล้วมันไม่รู้หมดเป100็นร้อเปร์เนเมื่อไหร่อเนี่ยอันนี้อันนี้หลุดไปแบบนั่นเลยเขาเรียกว่าอันนี้มันแห้งในพิธีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอะไรเลยไม่รวมไม่ไม่มีปิธีเลยมันมีรวมแค่พิธีแนละ้วพิธีมาใช้กับไม่รวมแล้วก็มีคนแนะนํำมาเดินต่อเป็นตมาบาทเป็นภาษีอันนี้จะมีคนเรา เมียพิญญาโหที่ตาที่ปู่ที่พ่อหีนาคเลิศชาติได้หรือว่าไรสิ่งอื่นได้แสดงอิทธิฤทธิ์ได้แล้วก็เอาไอ้ไอ้สมัปเอาไอ้เนี่ยพิยาโหเข้าสูดแค่นี้เลยเข้าสูดไอ้อสวะขยญาญน่ะเข้าเข้าหาอสวะขยญาญ์สลายอสวขยญาม์สุดท้ายอันนี้ก็ใช้ใช้เดินสายนี้ได้แต่ที่สายที่หนูว่าเนี่ยมัน เป็นสายที่สัยหลวงพ่อบ้านก็มีทําหลายท่านที่พิจารณาโดยที่ไม่จับเครื่องอยู่เลยจับไอ้สุกภาษาตไปเครื่องอยู่เลยเพราะว่าไม่งั้นจิตมันไม่เป็นสมาธิคือสมาธิเนี่ยมันแข็งแกร่งมาหลายชาติมากแล้วแต่ใกล้ๆในชาติเนี่ยมันลืมไปว่าการเดินองค์ฌานเป็นรูปเนยโดยยังไงม่ลืมไปแต่จิตมันเป็นสมาธิแข็งแกร่งมาแล้วไม่มีใครไม่มีแค้นจะนำเรื่ององค์ฌานเป็นรูป แต่มันอะความที่งมันมีไอสมาธิแข็งๆติดๆมาแล้วมันจับปั๊บเดินตัวเองตายเน่าเปิดอยผความมันบางทีมันมันเป็นเองไมทันไม่ทนนึกน้อมอ่ะพุทโธพุทโธไม่กี่คำอรอย่างเงี้ยไม่ชี้แก้วอ่ะไม่ชี้แก้วพุทโธไม่ขีดคำพุทโธพุทโธเห็นตัวเองลบตายบึ้งเน่าเปิดอูผุพังเลยน่าตอนนี้เดินกัดติตจดจอยอยู่ยี่สิบกว่าวันจะไปหลับไม่นอนเลยกัดจิตจอดจอยตัวเองน่าตายผุพังผุพังผุพังยี่สิกว่าวันไม่หลับทำไม่หลับไม่นอน กเลยจะไปนั่งพักวันนั้นคิดว่าจะไปนั่งพักนะเดี๋ยวจะไปทําอาหารถวายพระหน่อยเป็นไม่ชีเพราะจะไปนั่งพักที่แค่ฟ้าผ่าเปลี่ยนลงมาแค่อัระเดนเออกึกก้องเลยทั้งจักรวาลเลยพกชาติจนจบสิ้นแล้วจานนี้เป็นชาติสุดท้ายอย่างนี้ก็เหมือนกันนี่อย่างนี้ไม่ได้เข้าสู่กระแสเลยไม่ได้เข้าสู่ไอ้จิตหลวงไม่ได้เข้าสู่อพุทโธไปกี่ทีเป็นตัวเองตายเน่าป่ยผังแล้วกับติดเจดจ่อทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคือ ขาดเลยก็ม <m akes sin> ีม <m akes sin> ีอ <meme> ย <m akes sin> ู่สามสายสามชางสําหรับวุฒิหายวาฒนาของแต่ละคนแล้วอีกสายนะคะเดี๋ยก็อีกสายก็คือจิตรวมแล้วก็จิตรวมแต่ไปไม่ถึงไม่ถึงชานไม่ถึงมะพิญญาหกแล้วก็จิตรวมนั้นเน่ยเอามาน้อมเอามันคิ้นึกนึกน้อมเอานึกน้อมช่วยใหามานเน่าเผูกุภางช่วยแต่ผู้หนึ่งไม่ต้องนึกน้อมเลยอ่ะมันมแค่ผู้โทผู้โทไม่กี่คำปุ๊บออกมันเน่าไปแล้ว ไม่ทันจะพูดโทรเลยนี่ก็มีไและอย่างหนูเอาตัวเองเลยนะคะแล้วอย่างเราฝึกจากชีพิประจวันรู้กายก่อนแล้วก็รู้ไอ้ไอไอการคุณแต่งลงแล้วก็รู้หลงกระรูมาเรื่อยๆอยงี้ค่ะและมันไม่มีรวมใหญ่ แต่ว่าอย่างที่หลวงตาบอกว่ามันมันเกิดความแบบสงบขึ้นมาเรื่อยๆไงมันคายคายคลายของจิตมันไปเรื่อยๆนี้ไอต้องอย่างี้อย่างนี้คือเป็นอะไรอะไรกันก็แคเนี่ยมันก็ิญเดิน่างงี้เนี่ยเดินถึงนี้ถูกแล้วแหะแต่ของหนูเนี่ยมันจะต้องไปเนี้ยเห็นจิตที่มันละรู้เห็นแล้วก็ไม่ไม่ติดอะไรรู้เห็นไม่ติดอะไรละไปเรื่อยๆรู้เห็นไม่ติดอะไรเลยจิตตัวเองทุกขนาดจิตปัจจุบันนี่ยทั้งรู้ตั้งเห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่ไม่ติดความเคลื่อนไหว พอไม่ติดได้มาใจมันก็สงบเข้าไปใจสงบเข้าไปแล้วในความสงบก็มีความเคลื่อนไหวไม่ติดทั้งความสงบไม่ติดแต่เคลื่อนไหวใจมันก็ว่าเข้าไปว่าเข้าไปว่าเข้าไปแต่ในความรู้ในความรู้ความเห็นเนี่ยมันตัวความรู้ความเห็นเนี่ยมันยังเป็นตัวประมวลผลมันจะเป็นตัวทํางานหรือตัวความรู้ความเห็นเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่สิ้นสุดตัวทํางานมันต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจต้งละั้งปล่อยั้งวางต้งรู้ต้งเห็นต้งละต้งเข้าใจั้องปล่อยว่าแต่ไอตัวไอตัวต้องรู้เนี่ยไอตัวผู้รู้เนี่ยเป็นตัวทํางานอยู่มันจะเป็นตัวประมวลผลคล้ายๆเครื่องมันะวิ่่่งไมยอ มันก็เลยเราดาวโหลดแต่ดาวโหลดคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังดาวไม่เสร็จดาวโหลดไม่เสร็จเครื่องมันยังทำงานจืดแม้เราจะไปเล่นในโปรแกรมอื่นใช่ไหมแต่ไอ้เครื่องในคอมพิวเตอร์มันยังทำงานอยู่เสียมันเครื่องมันยังทางานไปยังร้อนอยู่เนี่ยมันยังม่แอปอื่นเข้ามาเนี้ยเต็มไปหมดเลยเนี้ยเครื่องมันยังไม่ได้ปิดเนี่ยคือมันยังได้ปิดเครื่องคือแอปเต็มไปหมดเลยเนี้ยทีนี้มันก็ค้างเครื่องไว้ไงเคี่ยมันยังร้อนอยู่เนี่ยยังอยู่ระหว่างเครื่องร้อนอยู่แล้ว พอที่สุดแล้วเนี่ยมันมันรู้เห็นเข้าใจจนไม่มีอะไรไม่รู้ไม่เห็นเข้าใจแล้วมันรู้ละปล่อยวางจนไม่มีอะไรที่ไม่รู้ละปล่อยวางแล้วจิตจะไปรวมใหญ่ทีนตรงนี้พวกเนี้ยทุกสายเนี่ยที่หลวงปู่มั่นบอกมันจะมารวมกันหมดคือขณะจิตเดียวที่มันปล่อยวางทั้งหมดแม้แต่คิดจะรู้ก็จะไม่เลยคิดจะไปรู้เลยเที่ยววนี้ทีนั้นไม่คิดจะไปรู้อะไรและไม่คิดจะไปวางอะไรและไม่คิดจะทำความเข้าใจอะไรเพราะมันวางหมดแล้ว มันไม่ทันจะเริ่มต้นอะไรบางทีมันค่อคๆจะนั่งัจกเอาขาเข้าไปทันเลยเราไปโลกกระฐานมันสั่งหยาดแบบนี้ไหมเนี่ยทางโลกกระฐานเลยใจมันกระสังหาดไปหมดเลยโลกกระฐานถึงเงียบกิ๊บไม่ทันว่าอจะทําอะไรคิดจะดูก็ไม่คิดจะดูคิดจะรู้ก็ไม่คิดจะรู้คิดจะรับไปว่าก็ไม่ทันจะคิดมันคิดไม่ทันเลยเราเป็นโลกกระฐานเป็นอย่างนี้ไห แล้วก็มันก็เกิดพายุใหญ่เอออึ้งไม่หมดแล้วแหละทั้งภายในภายนอกเอ้ามันทําไมโลกกระทำมันเป็นอย่างเนี้ยที่ไอ้น้องน้องของตาหาบัวที่บอกเอ้าทําไมต้นไม้ข้างๆรีคานสลาเนี่มันเหมือนไอ้คนมีมือยักษ์มาไปโยมอย่างอย่างหนักเลยทําไมมันแผ่นฟ้ามันม้วนลงมามันม้วนตลบเอาดินมวนตลบขุด ก, กับดินเป็ น, นเป็นปเอกพายุซีนมัมเอไอเซนามิอะไรเนี่ย เป็นการเปน็นสึนามิท้องฟ้ากับพืนดินกลายเป็นสึนามิใหญ่แล้วระเบิดระเบิดโลกกระแขึ้นพุ่งกัตยานไปนทั้งโลกกาะแอะไรเยี้ยเงี้ที่ที่น้องของตามหาบัวเราที่เนี่ยแล้วก็ตอนนั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตุทุกองแล้วก็หลวงตามหาบัวมันมันหนุนท่านแล้ว ก, ก, กระเด็นลอยกระเด็นลงไปเลยแล้วก็เงียบจบภพบชาติเลย ทีเดียวอันนี้แนละจินรวมือกันแต่รวมทีเดียวขาดไปเลยอันนี้ก็เป็นจิดรวมกันอันนี้ทุกสายมาผิดตัวแล้วมันลงเดียวกันมาลงมาไม่ว่าสายเจโตอวพินยาวหกหรือว่าสายสายแก้จินรวมแล้วมาใช้พิจารณากับในขั้นที่หนูพูดเนี่ยแต่ของหนูเนี่ยเหตุที่มันยังไม่เป็นก็เพราะว่า ไอตัวผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยมันยังเป็นตัวประมวลผลยังไงแอปในเครื่องคอมพิวเตอร์แอปในมือถือถือเรายังมีแอปหลายแอปมันยังทํางานในเครื่องร้อเนี่ยหมดเลยทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งละทั้งปล่อยทัวางทั้งตรวสังเกตทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งละทั้งปล่อยทั้งวางทัตรวสังเกตมันยังทางานอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องถูกต้องแล้วมันจะทํางานไปเนี่ยจนงานไปจนปล่อยวางหมดไม่ไม่มีอะไรแล้วที่ปล่อยวางเหมือนลูกหลวงปู่องค์เดินมาอายุสั้นแปดสิบกว่าคือบเ้าสีแล้วเดินมาถึงเห็นเห็นนนเเราาดดิไปลูกตีมัน มัปล่อยวางหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันมีอะไรไม่ปล่อยวางนีอีกไหมลูกลูกปู่ว่าปล่อยวางหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรไม่ปล่อยวางเลยดูยังไงก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็บอกเอ๊ะมันยังนะลูกปู่ยังยังยังอืมมันวางหมดขนาดนี้เล้วยังมีอะไรยังอีกเลยแล้วก็บอกนี่ผมว่ามันยังนะลูกปู่ขอขมาผมว่ามันยังนะยังยังถ้ามันยังอะไรไหนบอกว่าที่ยังอะไรมีอะไรไม่ปล่อยวางเราปล่อยวางหมดแล้วนะ อย่างครับลุงปู่ลุงปู่ยังไม่ปล่อยวางผู้ปล่อยวางเฮ้ยเราปล่อยวางหมดแล้วท่านก็พูดตัวตัวนึกอย่างนี้ในใจเฮียมีอะไรว่าที่เราไม่ปล่อยวางมีอะไรวะที่เราไม่ปล่อยวางเราปล่อยวางหมดแล้วเฮ้ยมีอะไรกไอ้นี่ไงตัวเนี้ยไอ้นเฮ้ยมีอะไรวาเราไม่ปล่อยวางมี่ะวก็าเช่ยนตัวนี้นะว่าวิธีการปล่อยผู้ปล่อยวางเรอวิธีการวิธีการเหนอก็ เราเห็นไดหมยังไงคือตนะคือมันไม่หยุดอ่ตัวเราไม่หยุดตัวนลยไม่หยุดโดยแท้ไอ้ตัวนี้ยังเคลือออออ่อนที่ได้ไอ้ไอ้ไอ้ผู้รู้ยังเคลื่อนที่มันยังไม่หยุดสนิทแต่แค่แบบมันยังแค๊ะมีอะไรมันยังมีใข้ควรครบถวนประมวนผลแมีอะไรไม่ปล่อยวางทั้งดูยังมี ยังมีการดูยังมีการรู้ก็ยังเห็นเฮ้มันยังการมีการทํางานอยู่นี่สังเกตเห็นตัวเนี้ยเฮ้ยมันยังมีการดูยังมีการรู้ยังมีการเห็นยังมีการเข้าใจยังมีการประมวลผลยังมีการแบบมีอะไรอีกนะยังไม่วางเอะมันวางหมดแล้วนะเอะอ่ะแสดงว่าเครื่องมันยังปิดไม่ยปิดทึ่งที่บอกเครื่องมันปิดไม่สนิทนี่มันทำงานอยู่นี่แสดงว่ามันยังทำงานอยู่นี่มันยังมันยัง ่เครื่องมันยังไม่หยุดนี่เพราอเห็นเครื่องไม่หยุดอะพอเห็นมันไม่หยุดอะเราก็เลยหยุดเอ้ยเอ้ตัวเราให้เลยหยุดมันหยุดไม่หยุดเข้ามเองมันหยุดเองไม่ได้คิดจะหยุดแต่มันหยุดไปเลยพอเห็นมานแ้วนั่นหนึ่งมันหยุดไปเลยหยุดก็เห็นว่าตัวเราไม่หยุดยังไม่หยุดเครื่องมันยังไม่ดับเราปิดแอปซะวันนี้ไอ้โทรศัพท์มือถือไม่เล่ใช้หลายหลายอย่างโปรแกรมอะแล้วเราปิดหน้าจอไว้เราต้อก็เราปิดหมดแล้ว แต่ทําไมเครื่องมันร้อนมันแ บ, บ, บตบมดแล้วเนี้ยเอ๊ะโดนเข้าไปหลายหลายหนเอ๊ะก็ปิดบมดแล้วทาไมเครื่องมันยังร้อนมันมีอะไรแอบทํางานอยู่นี่เลยเข้าไปตรวจ ด, ดูเขาไปเปิดตัว ด, ดูอ่า โ, โ, โอ้โหมีมีแอปโปรแกรมที่ทํางานในแอปอะไรแอปแอปอะมันจะทํางานอยู่ต้องไปรู้กี่แอปอ้าวมันปิดแต่มันปิดแต่หน้าจอไปแต่แอปมันยังไม่ได้ปิดโ อ, โอ้โหมันไปเห็นแก่นั้นน่ะเครื่องก็ปิดเองเลยแล้วก็โลกกระแมันก็ ที่บอกว่าไอ้ไปล่อยวางปล่อยวางตัวเราปล่อยวางกูรู้เนี่ยพะวันตัวนี้เสร็จในโลกธาตุมันก็สั่กเลยคือมันไม่มีการกระทำใน ใ, น ใ, น ใ, นใจและในใจและในภายนอกมันไม่มีการดูเห็นละปล่อยวางมันเหมือนสั่ไปทั้งโรกธาตุเลยโลกธาตุภายในภายนอกมันสัดไปทั้งจักรวาลตอนนี้เหมือนก็เข้าสู่กระแสไปเล ย, เลย ตัวนี้จะไม่จะไม่ปล่อยวางเองใช่ไหมคะหมงว่าจะต้องถึงพร้อมของตัวเขาเองถึงจะปล่อยมันเกิดเปนการวางหมดแล้วการวางทุจริตตัวเขาตอนที่หลวงพ่อถามว่าต้องปล่อยวางตัวผู้รู้เขาจะปล่อยเองเมื่อเขาถึงพร้อมแอปมันยังเปิดอยู่เขาจะปล่อยเองเมืม่อมันถึงพร้อมจะปล่อยไม่ใช่เป็นตัวเราไปปล่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไปร อ, อเวลานั้นนะนะไม่ใช่เราไปรอไปรอยจากนั้นเราต้องเห็นว่า อ๋อตัวเรายังทํางานเราต้องเห็นด้วยก่อนนะอันนี้เรื่อปล่อยรู้แล้วกันปล่อยรู้ตอนแรกเออเอนี่นี่ตัวเองไปปล่อยคือปล่อยปล่อยปล่อยรู้ละปล่อยวางรู้ละป่อยวางตัวนี้ตัวนี้อยู่ในขั้นตอนรู้ละปว่อยวางแต่รู้จะบอกว่าอย่างเงี้ยอยเงี้ยรู้ละปล่วางเรื่อยๆจะรับหมดหมดตึ้นรัก็วะมันก็มันเป็นไปเองไม่ใช่นะไม่ใช่เราต้องเห็นต้องเห็นว่าตัวเรายังทํางานอยู่ต้องเห็นที่บอกว่าตัวกระแสกีบอกว่าตัวกระแสคือมันต้องตัวมันเห็นตัวเราทำยังทํางานอยู่ ก็แค่ว่าเห็นใจเออเห็นใจท่านทางานอยู่เห็นใจแต่คนอื่นเห็นเราแล้วครูบาอาจารย์เห็นเราแต่เราจะไม่เห็นตัวเราอย่างเหมือนอย่างอย่างลูกปูเนี่ยท่านท่านท่านเห็นตัวว่าท่านปล่อยวางหมดแต่ท่านไม่เห็นตัวตัวท่านเป็นทำงานแต่ท่านน่ะเอาตัวท่านไปทํางานหมดเลยปล่อยวางหมดแต่ท่านไม่เห็นตัวท่านไหนจะทํางานปล่อยวางถ้าถ้าไม่เห็นเราจะบอกว่ามันแล้วมจะวางเองไม่ได้เพราะไม่เห็นมีองนึงเนี่ยตัวอย่างลูกปู เหมือนกันวันหนึ่งลุงตาเดินทางไปกลางคืนตุ๊บตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันอะมากแต่ไม่รู้อะไรใจอยากจะขึ้นไปคุยกับลูก ป, ปู่ที่อยู่บนยอดเขาเนี่ยนะก็ขึ้นไปเลยแล้วก็ปีกุติแล้วตอนนั้นก็หลาทุ่งอยู่ละกุติท่านบิดหัวน้ำไม่มีไฟตอนนั้นนะเดี๋ยวนี้มีไฟยังมันลุงตเมื่อก่อนไม่มีไฟก็ไปเคาะประตูเรียกท่านแต่ก็เปิดประตูออกมาแล้วก็จุดเทียนลงมาได้ ก็มาแ ล, แล้วพูดหเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้พูดเรื่องแค่อย่างนี้แค่ๆอย่ า, ย า, ย า, ยายงพ่อว่านะ <c oughs> แล้วท่านก็บอกว่าเสียใจอยู่อย่างหนึ่งท่านพูดอายุจะเก้าสิบแล้วใครว่าครูบาอาจารย์ที่ไหนเลิกที่สุดตำนักไหนเก่งที่สุดในโลกเนี้ไปมาหมดแล้วที่ไหนไปมาทั่วหมดเลยจะตายแล้ว แต่ยังไม่เห็นแม้แต่งเง า, าพันิพานจะตายแล้วยังไม่เห็นแม้แต่งเง า, าพันิพานเสียใจอย่างที่สุดเลยท่านพูดแล้วว่าท่านแบบเสียใจมว่าดิ้นลนค้นหามาตลอดชีวิตทำทุกอย่างเลยไม่มีเลยที่เราจะไม่ทาใครว่าดีที่ไหนทังหมดใครว่าอะไรดีทั้งหมดแต่ไม่เห็นแม้แต่งเง า, าพันธิพาณนั่นอง ถ้าเขาพูดเราเสียใจเลยรอหลวงปู่เดี๋ยวเดยยวหลวงปูพ่พูดจะทํามันโดนใจผมอะไรหลวงปู่บอกว่าทํามาจนหมดทุกอย่างแล้วไม่เรียนอะไรเลยที่ไม่เคยทําแต่ผมว่ า, า, าหลวงปู่ยังไม่ได้ทำอีกอย่างอะไรอะไรโอ้ยทำเหมือนกับโบกตาไปอะไรอะไรนี่ไม่ได้ทําอะไร อคนกําลังมันจะจมน้ำนะมันจะตายแลไรเงี้ยก็จะตายแล้วมั น, จ ะ, ะมนจะจมน้ําแล้วมีคนมาบอกอะไรอะไรเงาพระนิพพานี่ยไม่เคยเห็นอะไรอะไรนี่แล้วไม่เคยทําอะไรอะไรเพราะว่าท่า น, นคิดว่าจะมันจะมีอะไรอีกที่ที่จะต้องทํา อ, องผมบอกยังยังมีอย่า ง, งไม่ัำอะไรหยุดทำนะหลวปู่ยังไม่เคยหยุดเลยอือหือ มันควรเข้ากระแทกใจท่านน่ะท่านคิดไว้คำตอบของผมเนี่ยมันจะเป็นคำตอบที่มีวิธีทำาวิธีหนึ่งผมบอกว่าหยุดเนี่ยหยุดทำเนี่ยน้องปู่ยังไม่เคยทำ mm hmm. ท่านกระดุงทั้งตัวเลยเราเบิดหัวล้อลั่นภูเขาเลยอ่ะดังส น, นั่นบันไว้น้งหูน้งตาไหลหัวราะ ระเบิดวลรอบน้ำตาหูน้ำตาเลยฟาาโอ้โหวนรอบวันนั้นวนไหวเลยอ่ะเพรานว่าที่ผมเข้าตาเล่วแนะนำโยมด้วยว่าโยมยังติดอะไรอยู่นะคะพนี้ทาอยู่แล้วมันมีความรู้สึกมันติดกันเจ๊เจ๊พูดของเชีตรงนี้หน่อยเดี๋ยวตรงนี้ก่อนคุยแนเดี๋ยวะนีจบแล้วจบจบเ คือว่าตรงที่กำลังเป็นผู้เป็นตัวเรากำลังปงวลความที่หลวงตากระสือบอกว่ารู้ละปล่อยวางเป็นตัวเป็นตัวเราไม่ได้ใช่เป็นผู้รู้นะในช่วงนี้นะคะทหลวงตาที่บารมีที่ว่าหลวงพถามบ้าเนี่ยเป็นเป็นเป็นการปล่อยวางจากเราเราเป็นการประมวางจากเรานะทีนี้ตรงนี้ยมันจะต้องกระมวนความมันไปจนกระทั่งมันเริ่มเป็นผู้รู้เองใช่คือว่ะ ตอนนี้ของหนูก็คือตัวเราเป็นผู้ไปทําการปล่อยวางทุกที่หลงพ่อเข้าใจเข้าใจตัวเนี้ยอยู่ในขั้นตอนของไอ้รอเราอฟังเฟิร์นเฟิร์นนะเฟิังไม่ใชเฟี้์เฟิร์นเฟิร์นค่ะเฟิร์นแต่เฟิร์ น, นถูกแล้วเรียเฟิร์นเออเฟิร์นเนี่ยถูกต้องไอ้ไอ้ที่ที่ ท, ที่ที่เฟิร์นเนี่ยรู้เห็นละปล่อยวางที่รู้เห็นเนี้ยถูกต้องแล้วละการ ท, ที่ที่หนูเนี้ยเห็นทุกอย่างในจิตใจแล้วครับดูละปล่อยวางเนี่ย ก็ตอนนี้ทําถูกต้องเลยเห็นเอยู่แล้วตอนนี้ถ้าจะรวบรัดเร็วเกินไปอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ถึงเวลาที่หักหักหักได้อย่างหลวงปู่สององอะคือยังไม่ถึงเวลาที่หักคือแค่แค่กับว่าไอ้ไองานรู้เห็นละเข้าใจในหนูยังเห็นไม่หมดคือเป็นตรงนี้มันเกีว่ามันจะ่งานรู้เห็นละ ปล่อยวางเลยมันยังเห็นมันยังไม่หมดไม่หมดทุกหน้ายังไม่หมดทุกตัวมันจะหักจะหักตัวสุดท้ายเลยมันยังมันยละหักติดไม่ได้ต้องต้องต้องรู้ต้องเห็นต้องละต้องปล่อยต้องวางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหมืหมือนเาปลูกทิวาไม่มีอะไรปล่อยวางแล้วนม่มันไม่มีแล้วเนี่ยแล้วมันทําไมไม่ลิผานเอี่มันปล่อยวางจนหมดแล้วมัน ไม่มีเลยจมันไม่มีเลยจะปล่อยไว้แต่ทำไมมันยังไม่เบิรฤทธิ์ผ่านมันต้องบริกงตรงนี้อ่ะตรงนั้นจะไม่จะไม่ใช่หลอกตัวเองว่าจะเองปล่อยหมดใช่ไหมครับคุพ่อคือมั น, ม, นมันปล่อยจนหมดแล้วแต่โลกกระแทกมันก็ยังไม่สังหาดอกอัศจรรย์ก็ยังไม่เกิดอมันทําไมเป็นอย่างนี้หว่โลกกระแทกมันก็ยังไม่สังหารดอกอัศจรรย์ก็ยังไม่เกิดเลย ที่ท่านว่ามันเยอะแยะมากมายแต่ละท่านพูดกันเนี่ยโลกาธาตุมันสั่ง ก, ก่อนแล้วก็เหมือนสึนามีแผ่นฟ้าแผ่นดินพลิกกลับตลบโลกาธาตุพลิกความอย่างนั้นก็การที่ว่าอย่างนั้นก็ช่วงนี้คือต้องทําสติสตินี่แหละตัวเดียวนหละที่ลงละลูกหลงส ต, ลสติปัญญาเนี่ยสติปัญญาเอเอสติหลงละลูกมันเป็นขั้นแรกนั่นเองนะมันจะเป็นขั้นที่ในขั้นอีกขั้นหนึ่งนะ ขั้นที่หลงแล้วรู้นะอขั้นที่ที่หลงแล้วก็รู้ขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาหลงแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยนี่นี่อีขั้นหนึ่งนะแล้วในขั้นที่พูดกันเรามาพูดกันอย่างนี้ยคือมันไม่มีหลงแล้วมันมีแต่รู้รู้รู้รู้ละปล่อยวางอะไรที่เกิดเนี่ยอะไรที่เกิดในใจมีแต่รู้รู้รู้รู้อะไรละวางรู้อะไรก็ใจแล้วอะไรก็วางไปเรื่อย รู้เห็นเข้าใจอะไรแล้วก็วางไปเรื่อยๆรู้เห็นเข้าใจอะไรแล้วก็วางไปเรื่อยๆรังเลยจะไม่มีหลงไปเพลิดเพลินนู่นเพ่ิเพลนี่นะเพลิดเพินจริญใจไม่มีอะไรเนี่ยคือมันฝึกะจนแบบมันเหลือเป็นขั้นรู้แหละหลงแล้วหลงไปเพลิดเพลินเจริญใจแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาหลงไปเพลิดเพลินเจริญใจรู้สึกตัวขึ้นมาหลงไปเพลิดเพลิเจริญใจรู้สึกตัวขึ้นมาจนมาถึงขั้นที่มันรู้สึกตัวอยู่แล้วเด็กมันก็รู้เห็นหมดเลยไปในจิตใจอะไรเกิดขึ้นทุกขณะจิตวิ้าใจ แล้วมันก็ปล่อยวางในความรู้วามเข้าใจก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆรู้เห็นเข้าใจเลยแล้วก็ปล่อยวางไปเลยเข้าใจไปปล่อยวางไปปล่อยวางไปปล่อยวางไปป่อยวางไปปล่อยวางไปอย่างเงี้ยเออมันก็นี่ขั้นนึงขั้นปล่อยวางตอนนี้แต่แล้วก็ปล่อยวางหมดแล้วกิเลสไม่มีไม่มีกิเลสในความรักความจงไม่มีเลยหลงก็ไม่หลงแล้วคือหลงแล้วรู้ตทันหลงแล้วรู้ัทันก็ไม่หลงแล้วและกิเลสในความรักความจงก็ไม่มี เอราไม่โลคกระชากมันก็ไม่สง a s ความอัศจรรย์ที่ที่บอกนั้ก็ไม่เกิดยังไม่เป็นเลยไม่มีหักอย่านถึงมันก็ยังในใจมัทํางานไม่หยุดอยู่มันอยู่ในอย่างนเนี้ยตรงนี้เนี่ยที่ที่บอกแต่ละองค์ท่านมาถึงตรงนี้นะที่เลนไม่มีเลยที่หลวงตามหมาบัวไปหาหลวงปู่ลูกปู่บัวสิริบุญโดยวดปากส่องแสงแบบเนี้ย ไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยไม่มีกิเลสมาตั้งหลายปีเราจะเอายังไงอีกเนี่ยหลวงตามหาบุตรยังมีมันยังมีอีกอย่างหนึ่งอะไรอีกเนี่ยกิเลสไม่มีมาตั้งหลายปีมันถึงขั้นที่ไม่มีกิเลสนะเออกิเลสไม่มีเลยแต่ทําไมมันยังไม่บรรลุนิพพานเนี่ยหลตามหาบุตรลุกขาดเลยวะกิเลสไม่มีแล้วทำไมยังไม่บรรลุนิพพานเนี่ยเนี่ยทำไมยังไม่บรรลุนิพพานอ่ะก็ไปไม่ถูกเหมือนกันเนี่ย ไปไม่ถูกแม่แต่มันยังมีมันยังมีเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราถึงขั้นนี้จริงๆเหมือนก็เหมือนหลวงปู่สองค์ที่วัดมันยังไม่หยุดนะยังไม่เห็นตัวเองเหรือเมืม่อเห็นตัวเองก็แล้วมันหยุดไม่เป็นนะอย่างที่ไปช่วยหยุดนะไปช่วยหยุดแต่เออมันจะมีการหาอยู่มีการดนนิ้นรนยังมีการค้นหายังมีการปล่อยวางอยู่ยังไม่หยุดที่จะปล่อยวางอีกองหนึ่งก็ยังไม่หยุดที่จะทํา ยังไม่อยู่ที่จะค้นหาว่านิพพานนิพพานนิพพานนิพพานทําไมไม่เป็นนิพพานทาไมนิพพานยังไม่มาก็มันยังไม่ถึงนิพพานมันยังไม่อยู่ที่จะหาอีกองค์ก็ยังไม่อยู่ที่จะไปวางแต่มก็คืออันเดียวกันคือให้มันวางหมดแล้วแต่ทําไมนิพพานยังไม่เกิดก็คือหานิพพานเหมือนกันแล้วตัวนี้มันไม่เห็นได้ผู้หาังไงแต่เป็นใครมาบอกคนว่ามันเจือกทวกระแสเข้ามาตัวร้ายมันอยู่ตัวนี้เองมันนึกว่าเอาตัวเราเนี่ยไปหาจะแล้วมันจะเห็น แต่เราเนี่ยตัวร้ายมันอยู่ด้วที่ว่าไ อ, วไอตัวไอตัวเราผู้ไปหาเนี่ยมันบงังบางพันิพามันบังตามันอยู่ตรงนี้เองอะหนามยอกอกเขาเรียกเลยทางออกเลยอเขาเรียกว่าแต่ถ้าไม่ได้อผมจะให้คำว่าขาาี้ผงเข้าตาคุณบาลามีไม่ถึงได้ไหมครับคือมันขี้ผงเข้าตาอ่ะไม่รู้ว่าไอตัวเองที่ไปหาเนี่ยพนิพาเนี่ยมันยังไม่มาทําไมมันยังไม่เป็นนิาพา กิเลส ก, ก็ไม่มีสมาธพผะมันจะไม่เป็นที่ผานเพราะอัศจรรย์มันยังไม่เกิดโลกธาตุยังไม่สงังข์แล้วอัศจรรย์ใหญ่ก็ยังไม่มีท่านก็พยายามอีกพยายามต่ออีกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยผู้หาไม่เจอก็พยายามต่ออีกเป็น่ิสัยคนเน่ยเพราะพอาผู้หาไม่เจอก็พยายามอีกพยายามอีกพยายามอีกมันก็ยิ่งบางตาหนักเข้าไปยิงยงยงย่งพยายามจี๋นักเข้าไปยิ่งบางตาหนักเข้าไปเลยตอนเนี้ยบางตาหนักเข้าไปเลยเพราะว่ามันไม่เห็นในตัวผู้หานี่เนี่ย มันมาบางตาพอไปพูดก็ไปพูดเขานั้นแหละพอเราตายพูดเขากลัไอ้ตัวที่มันบางพ้นิพันธ์น่ตัวผู้ปล่อยวางนี่แหละแต่จริงไอ้ตัวผู้ปล่อยวางเนี่ยมันบางพ้นิพันธ์ย้อนกลับมาตัวตัวมันเองนี่นะครับหยุดทิ้งหยุดที่ตัวมันเองย้อนก็ไม่ได้ด้วยพอย้อนกลับมาหาตัวมันเองปุไอ้ผู้ที่พยายามย้อนอ่ะมันกลายเป็นผู้ทํางานตัวใหม่ครับะมาปล่อยเองก็ไม่ได้ย้อนเองก็ไม่ได้ จะงั้นเข้างจะต้องถูกต้องปล่อยเองก็ไม่ได้ย้อนกับพยายามมาดูตัวเองก็ไม่ได้เพราะวะ่ามันกลายมีมีผู้พยายามตัวใหม่เกิดขึ้นมันไม่หยุดตัวนี้มันใช้คาพูดอะไรมันรู้สึกได้ตัวเองอ่ะมันรู้สึกได้ตัวเองว่าเรายังทํา ง, งานไม่หยุดเรายังไม่หยุดทํามันรู้ได้รู้สึกได้ตัวเองไม่ใช่ย้อนกลับตัวเองนะ มันรู้สึกได้โดยเองว่าก็เราเนี่ยยังไม่หยุดทําเรายังไม่หยุดหานี่เรายังไม่หยุดดิดน้นรนเห็นตาลเม่นะคะหลวงาโอเคแล้วตอนนี้เฟือขอสรุปหนึ่งนะคะสรุ ป, ปต่อและอืนก็คือเริ่มแรกที่หลวงตาบอกก็คือท่านนั่คือรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเนี่ยผ่านแตละจุดนี้ตอนนี้เฟืองเริ่มในจุดที่สองก็คือว่ากําลังเริ่มอ่ารู้ทันในเขาเรียก ว, ว่ารู้ทันเนาะ พอมันเห็นปุ๊บมันรู้ทันรู้ทันรุ้ทันรู้ทันก็คือเหมือนพอปล่อยวางปล่อยวาค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องนั่นแหละไม่ไม่ไปยังไม่ถึงเออ่คือเราเราก็วางทั้งหมดวางทั้งหมดทุกอย่างเราเห็นเข้าใจเลยเราก็วางไปวางหมดไม่เอาอะไรมีอะไรสักอย่างเนียดีที่สุดก็ไม่ยึดมันแยกที่สุดก็ไม่ยึดไม่ไม่ยึดอะไรเลยก็รู้หมดว่านี่มันมันมีอาการอาการที่ฝ่ายที่เป็นกุศลอาการฝ่ายอกุศลนี่เป็นอาการที่ฝ่ายที่ถูกใจอาการฝ่ายไม่ถูกใจละมันหมดเลย อาการที่ถูกใจก็ละอาการไม่ถ wow, ูกใจก็ละว่าโปรโรกเบาสบายที่สุดก็ละมันไม่มีอะไรก็ละมันมันมีอะไรก็ละมันเป็นกุศลก็ละไม่เป็นอากุศลก็ละรู้ละแล้วนี่เป็นกุศลก็ละไว่เข้าใจแล้วนี่เป็นกุศลทั้งหมดก็ละอันนี้เป็นดากุศลนะเอากุศลก็รู้แล้วเข้าใจว่าเป็นอกุศลแล้วเราก็ไม่หลงไปตามอกุศลแล้วเรารู้แล้วเข้าใจแล้วว่าเราไม่หลงไปตามอกุศลแล้วก็ละไปอันไหนเป็นกุศลแล้วเราก็ร่วมาเป็นกุศลเราก็ทําอยู่ที่ดีพูดดีทําดีเราก็ทําอยู่แม้แต่เราเข้าใจแล้วเราก็ทําอยู่แต่่เราาก็ไไมมหลลงในควดี แล้วเราว่าไอฝ่ายที่เป็นกุศลฌานสมบัติวสีอภิญญาอิทธิฤทธิอภิญญาทางจิตฤทธิทางกายฤทธิทางใจไม่ว่าจะเป็นพลังจิตพลังจักรวาลพลังธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในอิทธิฤทธิทุกวิธีทุกวิถีเราก็รู้เห็นว่ามันเป็นฝ่ายกุศลเพราะแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เดินทางมาสายนี้ฝ่ายพทธเจ้ากระทำมาเป็นฝ่ายกุศลเราก็าใครมีวาสนาขนาดไหนมันก็รู้ก็เห็นก็ทําได้เป็นมีคนสอนยิ่งกันยิงก็รู้เห็นแล้วเป็น แต่มันก็รู้แล้วขพอใจแล้วเป็นแล้วมันก็ไม่ติดกับวางไปเหมือนของเล่นได้เรียนรู้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ใช้ก็มาใช้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต่อความบนทุกขไม่ไม่ไม่อยากใช้ก็ไม่ใช้อยากใช้ก็อมาใช้แับวเกประโยชน์แต่ไม่ติดใช้ก็ไม่ติดอืมไม่ติดมีก็ไม่ติดฝ่ายกุศลก็ไม่ติดเดียวกับฝ่ายกุศลก็ไม่ติดฝ่ายอกุศลก็รู้ว่ารู้หมดในจิตใจเกิดขึ้นขนาะทั้งการคิดการรู้การทํา มีกิริยาทุกกิริยาการที่ภายในจิตก็รู้หมดอะว่าเป็นอกุศลไม่หลงไปกับอกุศลสักอันเดียวอ่อันไหนที่เป็นอกุศลก็เล่นเอามารู้เห็นทําเป็นหมดแต่ไม่ติดเลยรู้เห็นทําเป็นใช้ได้รู้เห็นทำเป็นใช้ได้ใช้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเช่อเหลือก็คือผู้อื่นในพ้นทุกข์ใช้ได้แต่ไม่ติดเลยสัยอยออก อ, LGBTQ, อย่างเดียวฝ่ายกุศลก็ไม่ติดฝไฟอกุศลก็ไม่หลงไปฝ่ายฝ่ายกุศลก็ไม่ติดวางหมดพอวางหมดอ่า มันโปรงโล่บาวสบานว่างหมดเลยก็ไม่ติดฝ่ายผู้สนเนี่ยคนนี้เป็นฝ่ายผู้สนเป็นฝ่ายที่อาการที่ถูกใจก็ไม่ติดอาการที่ไม่ถูกใจก็รู้อยู่แต่ก็ไม่ติดอ่ะไม่ติดทั้งหมดแล้วกิเลสไม่มีเลยอแต่ทำไมผ่านไม่เกิดอ่ะเดี๋มาถึงตรงนี้อ่ะมาถึงมาถึงตรงนี้ว่ะกิเลสไม่มีตั้งหลายปีเลยกิเลสไม่มีแล้วแต่ทําไมยังไม่ผ่านยังไม่รู้นิพพานเจอตรงนี้ก็เซอร์เหมือนกันน่ยตากรเซิร์ดด หลวงตาก็โดนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดต่อหน้าเลยเรียกไปว่าเลยว่าหลวงตาพี่นายดีๆนะกิเลสไม่มีแล้วทำไมจึงไม่ไปรู้วันิี้ผ่านโอ้โหก็โดนโดนโดนเหมือนกันเลยก็โดนก็โดนแบบนี้เหมือนกัน่ะไปไม่ถูกเลยเลยก็ยกมือขนมกราบแทะเท้าไปเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์โปรดชี้แนะปรดชี้แนะ ผมหามากเลยผมปรารถนามากเด่น้นมากเลยผมผมอยากบรรลุพุทธิภัานช่วยผมด้วยเพื่อนผมติดอะไรตรงไหนของผมทึงไม่บรรลุพุิภัณฑท่านครับอืมเราก็ไม่มียานใหญ่เหมือนอย่างพ่อแม่ครูบาจานใหญ่หลวงปู่มัน่นท่านมียานใหญ่ท่านก็จะรู้ไดแต่ท่านมีชีวิตอยู่เราก็ไม่รู้อ่าไปไม่ถูกเลยเนี่ยบไตรชาาติดตรงเนี้ยหมดเลยอ่ะแต่ละคนหลายองค์อ่ะ ไปไม่ถูกเลยกิเลสไม่มีแต่ไม่รู้นี่ผ่านไปไม่ถูกเดี๋ยนี้หลายองอคนะ์อะเออเห็นเนีะมันติดอยู่มันติด <c oughs> ท่านก็บอกว่าเออไอตัวที่ผมพูดเนี่ยท่านก็เคยเห็นอยู่นะเนี่ยทุกอย่างเห็นหมดเลยเนี่ยในคกองว่างมีจิตที่ปรุงแตง่งเออก็รู้เห็นอยู่อย่างเนี้ยเอ้แล้วผมไปไม่ถูกแล้วมันนอนคืออะไร ไปไม่ถูไงไปยังไงไปไกลต่อในกวา้างว่าก็มีจิตที่ปรุงแต่งอยู่เนี่ยในใจที่ว่าเปล่าจิตปรุงแต่งมันก็มีแล้วก็ทิ้งผูร้รู้ผมก็ทิ้งหมดทาม่านมันไปไม่ถูไงไปยังไงนั่นไปยังไงต่อเน่ยถ้าก็แล้วก็เขาบอกว่าออถ้าท่านไปทิ้งผู้รู้เร็วเกินไปเพราะไอ้ผู้รู้ตัวนั้นเน่ยมันคือตัวสังเกตตัวสติสมาธิปัญญาในขนันห้าเรายืมมาใช้แบบเดินเรือข้ามฟ้า คือตัวสังเกตไว้วันในใจเราแน่ยแม้แต่ใจจะว่างเปล่ายัางไงอะแต่ขันห้าคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไอ้ความคิดตึกตองตึกตองตึกตองตึกตองวิเคราะห์วิจารวิจัยมันก็เป็นอยู่ตลอดเวลาจุ๊กุกุ๊กุ๊กก๊กุ๊กก๊กแต่หลงมันไม่มีแล้วผึกประดุ้นขั้นนั้นมันไม่มีหลงแล้วแต่มันจุ๊กกุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กกอขันห้าเนี่ยมันยังทำงานอยู่ไอ้คิดน พอท่านว่าให้ปล่อยวางผู้รู้ถ้าก็เลยวางตัวผู้ทุกเกตไปหมดเลยอแล้ ว, ลวไปรอในฝานเอามันก็ไม่เป็น้รที่ท่านจะไป็นที่ผู้รู้ซะแล้วไปทนทุเกตแล้วก็บอกว่าท่านน่ะนั่งเรือมาก็ถูกแล้วคือเรือส ต, ติสมาธิปัญญาเนี่ยนั่งเรือมามันจะข้ายความไปฝังในฝานก็เห็นอยู่ก็ถูกแล้วเนี่ยแต่ท่านบอกว่าเอา้าเขาบอกให้ปล่อยวางผู้รู้เลยปล่อยวางเรือ ก, ก็ท่านเลยถึงแกะทาแม่น้ําแล้วท่านท่านกระโดดเรือลงแม่น้ําก็จมน้ําตายที่ยังไม่ถึงฝั่งเลยเอ้า ผมก็นุ้ยก็ปล่อยวางให้ผู้รู้ตัวนี้ไอตัวผู้ทังนเกตนี่บอกไปใช่ตัวนี้มันวางได้ยังไงมันยัเ น, เ ป, นเป็นพันิพาณแล้วตัวนี้มันหายไปเองถึงฝั่งแล้วว่ามันละลายไปเองใครจะไปแบกเรือก็อาศัยเรือไปเรือข้ามฝั่งตอนนี้ท่านยังเดินทางอยู่กลางแม่น้ำแล้วถ้ากระโดดลงเรือแล้วก็บอกทิ้งผู้รู้ไอที่ไอตัวผู้ทังเกตเอา้าเขาบอกให้ทิ้งผู้รู้ผมก็เลยทิ้งหมดเลยก็ทิ้งทัศน์เกตไปทังเกตไปทัศนเกตไปทัศน์เกตไปทัศน์เกตไ ป, ตตไปอ่า ตําไปกิเลสไม่มีไม่รู้ปณิพานธ์นะไปอย่างสังเกตอยู่นะว่ากิเลสไม่ดีแล้วไม่มีคือหลงก็ไม่หลงแล้วหลงเมื่อเพอเพื่อหลงไปปรุงแต่งอะไรก็ไม่มีแล้วแล้วหลงไปรักก็ไม่มีหลงไปช้างก็ไม่มีเอ๊ะทำไมทาไมไม่รู้ปิพานธ์วะอ่นี่ขนาดสังเกตปรจุกระต๊อเห็ุจะไม่มีจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยจนถึงริมฝั่งแล้ว่ะนี่ขนาดไปจะโดนเรือกลางน้านะมาจนถึงริมฝั่งแล้วอะแต่ไม่ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร เอก็เราทําไมไม่ถึงนิพพานเนี่ยขะนั่งเรือไปจะถึงฝั่งแต่งงนั่งเรือจะถึงฝั่งงันงงงงงงไอ้งงผู้หานี่นยงงผู้หาเนี่ยงงผู้ปล่อยวางอทำไมมันยังไม่เป็นนิพพานเอออ่าเอออ่ามันเดี๋ยวเห็นไอ้คเนี้ยมันจะทํางานอยู่มันยังมันยังหายังหายังหามันจะทํางานยังดิ้นรนยังไงเอออ่ะเอออ่ะ กิเลไม่มีทํางานมันไม่บรรลุนิพพานทำไมมันไม่อัศจรรย์ออองั้นมันก็ไม่เห็นไใ้ตัวนี้แต่มันไมปแจว่าไปสร้างตัวแล้วมองตัวเองนะไปสร้างตัวเองไว้ข้างนอกกำลก็คอยสังเกตตัวนี้มันจะเปอีกตัวทํางานตายเลยตัวนี้ยมันก็คือเออมันไหวตัวขึ้นมาแล้วมันมันมันไหวตัวขึ้นมาพฮ้ยไอตัวเนี้ยมันมันทํางานไม่อยู่เลยตัวเนี้ยมันไม่เลิกทำงานในตัวเนี้แล้วมันก็เลยวางไอ ไอ้ต no, ัวเรายังขยันทางานอยู่ยังหาอยู่ยังรีดหล่นยังค้นหาอย่างพยายามคือตัวยังไม่หยุดแต่เพื่อน่ายังไม่หยุดเหมือนกระลำปูตัวยังไม่หยุดพอเห็นตัวเรายังไม่หยุดอ่ะไอ้ตัวเราตัวร้ายนี่เองที่ตัวยังไม่หยุดไม่หยุดหาไม่หยุดรีดหล่นไม่หยุดค้นหาพอเห็นตัวเราไม่หยุดมันก็เลยหยุดแค่นั้นแหละ สรุปจบให้ยังอ่ะอขจายยังขจะะายแล้วค่ะตาก็อยู่ในระดับขั้นสองก็คือว่ากําลังรู้รู้ทันแล้ค่ะแล้วก็แล้วก็จะทิ้งผู้รู้ไม่ได้ต้องรักษาตัวรู้นี่แหละใหมันเป็นอย่างนี้ก่อนปะจนไปนู่นตรงนี้ท่าน่านไม่ขจายอยู่ อ, อ่ะท่านบอกไอ้ผู้รู้พวกเนี้ยพอมันมาบอกว่าเป็นตัวตติยมาที่ปัญญาในขันนาที่ยืมมาใช้ก่อนเป็นเลือคำฝาฟกอ๋อมันตัวปรุงแต่ง อ๋อแล้วเราไปคิดทําไมต่อไอ้ผู้รู้เนี่ยเราก็ต้องวางมาหลังแต่ใจเรารู้ว่าเป็นมันเป็นขันหน้าที่ยืมมาใช้ใจมันก็ไม่หวาดมันก็ไม่ยิดเองเนี่ยเขาเรียกว่าวางแต่เข้าใจเข า, าวางผิดคือวางหมดเลยเลยวางมันไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยก็ใจผิดวางผู้รู้ก<ม>็คือพี่จะไปรู้ว่าไอ้ตัวผู้รู้ตัวตะเกียบเนี่ยอือมันมันตัวขันห้าทยืมมาใช้ตัวไอ้ไอ้ผู้รู้ที่ไปรู้อะไรเนี่ยตัวเราผู้ไปรู้อะไรแล้วมัน มันส่งต่อเวทนาสัญญาตั้งขาเนี่ยมันทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดเนี่ยไอเดีวนี้เป็นวิญญาณนัขัมันเป็นคนละตัวกันท่านทําไมเข้าใจตัวไหนเป็นตัวไหนคือท่านมีครบกมดแล้วสามตัวเนี่ยคือไอตัวสังเกตตัวสติแต่มันที่เป็นยามก็มีอยู่ไอใจที่วางเปล่าที่ไม่พูงแต่งที่เป็นวิสังขารก็มีอยู่ส่วนไอทั้งรู้ทั้งคิดไอผู้เป็นรู้อะไรมันก็ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดมันก็มีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคิดดีคิดชั่วค หตัวสังเกตคือตัวสมติสมาธิปัญญาสังเกตจิตใจตัวเองมาไม่เลือกไม่ลาตัวนี้คือตัวยืมขันห้ามาใช้มันเป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารกรุงแต่งที่รบุญเจ้าอนุญาตไว้ให้เป็นเรือข้ามฟากจนถึงถึงที่สุดของพระนิพพานในเรือเนี่ยมันจะหายไปนี่เมื่อรู้ว่าตัวตัวผู้สังเกตจิตใจตัวเราเนี่ยมันเป็นสติสมาธิปัญญายืมมาใช้ในขันห้าแล้วเราก็จะไปยึดเป็นทำไมเราก็ต้องไปปล่อยมันแต่เราก็ไม่ยึดมัน แต่อสายมันเป็นเครื่องมือจนกว่าจะบรรลุผ่านมันก็เลื่นหายไปเองมันก็เออเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรมันก็เออมาใช้มันจะ่ไม่ยึดมันนี่ก็อันหนึ่งอันที่สองก็คือไอ้ใจที่มันว่างเปล่านี่แน่มันเป็นธรรมชาติของธาตุรู้ที่มันปรุงไม่ได้คิดไม่ได้ลึกขึ้นไม่ได้มันมันกระเพื่อมไม่ได้ไว้ตัวไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันมีอยู่อยู่แล้วในธรรมชาติมันมีอยู่แล้วนี่ในทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือสัตว์ในชาหรือประชาชนทั่วไปมันก็มีมันมีไอ้ใจที่ว่างเปล่าอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติโดยท ทุกคนมีอยู่แต่คนนัไม่ได้ใจมันมัวแต่เดี๋ยวหลงลงไปโน่นหลงไปนี่ลงไปโน่นไปนี่มันยังไม่รู้สึกตัวขึ้นมามันเลยยังไม่เห็นอันที่สาเมื่อมันไม่หลงแล้วเนี่ยมันรู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันก็เลยพบใจที่วางเปล่ามีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วและในใจที่วางเปล่ามันยังมีขันห้าที่ยังไม่ดับก็คือไอ้ตัวเนี่ยไอ้ร่างกายเนี่ยที่ยังไม่แตกยังไม่ตายยังไม่ดับแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันก็มีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวคิดดีคิดเชั่วคิดบุุาปกกเนี่ นี่ก็คือมันก็คิดอยู่ตอลอดเวลาไอ้ส่วนในเวทนาก็เดี๋ยวเกิดความรู้สึกที่สบายใจไม่สบายไม่สบายใจฝ่ายที่โปร่งโลง่งเบาสบายว่างสุขใจสบายใจปิติโลลาเนี่ยเป็นฝ่ายที่เป็นอาการที่ถูกใจเรียกว่าฝ่ายฝ่ายบุญส่วนก็เป็นฝ่ายอาการที่ไม่ถูกใจคือมันแน่นอันดอัดมันทึบมันทุกข์มันอะไรมันมันขับแก๊สมันอะไรสารพัดนั่งึกๆอยู่ในใจเนี่ยมันมันเป็นความฝ่ายฝ่ายทุกข์กัละกัฝ่ายไม่ถูกใจมันก็มีอยู่ของมาณนี่เป็นธรรมชาติ ตัวนี้เราก็เห็นว่าอ๋อไอาการทุกอาการเนี่ยที่มันเกิดเกิดเกิดดับดในใจเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมชาติที่ไฟมันเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเป็นขันห้าไม่เห็นความเป็นจริงอย่างนี้ไอไฟอะไรที่เป็นบาปเป็นอาภุดสนายที่มันไม่สบายกายไม่สบายใจเราก็ไม่ติดไปกับมันไม่ลงไปกับมันเออ ไอ้ฝ่ายใดที่มันโปร่งโล่งเบาสบายหรือจิตใจที่มันเป็นฝ่ายกุศลน่ยเช่นสมาธิฌานสมาบัติอภิญญาหรือต่างๆเนี่ยมันเป็นฝ่ายกุศลอย่างเงี้ยเราก็รู้ใครนิวาสนาขนาดไหนก็ทําไปทําได้รู้เห็นทําเป็นใช้ประโยชน์ตนใช้เพื่อโยชน์ตนประโยชน์ท่านผาตนในพ้นทุกข์ช่อยเหลือก็คือคนอื่นช่วเหลือว่าพุทธศาสนาแต่เราก็เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่กิริยาการฝ่ายที่เป็นกุศล เราก็แค่รู้เห็นทําเป็นแล้วก็ใช้มันแต่เราก็ไม่ติดมันไอ้ฝ่ายที่เป็นอกุศลเราก็ไม่หลงไปกับมันจะไปทำกรรมชั่วไปคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วปล่อยให้มันปรุงเพื่อเปิดเจริญใจหลงมืเพื่อเปเจริญใจไปเรื่อยเรื่เราก็ไม่เป็นอรารู้ตัวอยู่แล้วนั้นไอ้ฝ่ายกับฝ่ายฝ่าบุญกับฝ่ายบาปอะเราก็รู้อยู่แต่เราไม่จิตเป็นตัวของฝั่งมันก็เลยเป็นรู้เนี่ยนั้นก็เลยเหลือรู้สามตัวตัวเนี้่ไอ้รู้คือตัวสังเกตคือตติธรรมที่ปัญญา แล้วก็ใจที่วางเปล่าแล้วก็ไอ้ไอขันห้าซึ่งเป็นกิริยาอาการใจแต่ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจขันห้าไม่หมดเอเข้าใจขันหน้าร่างกายเข้าใจรูปเป็นรูปเนี่ยร่างกายเข้าใจเวทนาอาการที่ถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยเข้าใจอยู่ความรู้สึกที่ถูกใจไม่ถูกใจหรืออารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยรู้อยู่แล้วก็สัญญาสังขาร ส, สัญญาคือความจําสังขารความคิดปรุงเน่ย คนนี้ก็รู้อยู่แต่ไม่เคยเข้าใจเรื่องวิญญาณขันแต่แต่เขาสอนว่าวิญญาณก็คือการรับรู้ต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้มันเนี่ยขณะที่รู้เนี่ยมันก็รู้แต่เป็นเรื่องโครงคล้ายรู้เป็นโครงสร้างขณะที่วิญญาณทํางานทํางานเนี่ยขณะแรกที่ที่วิญญาณขึ้นมารู้เนี่ยวิญญาณก็รู้แต่เป็นโครงสร้างย่างย่างมัรู้เนี่ยดูดวงตาที่กําลังพูดเนี่ยมันก็รู้แต่มีโครงสร้างขณะที่วิญญาณรู้เนี่ยมันรู้แต่โครงสร้างแต่มันไม่รู้หรอกว่าอันนี้คือคน มันไม่รู้ว่าคือคนแล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมีรูปร่างหนาตาอย่างไรไม่รู้่าชื่อเสียงอะไรไม่รู้ว่าเป็นพระหรือไม่รู้ว่าเป็นโยมไม่รู้่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายวิญญาณาขันเนี่ยมันจะรู้แค่นี้แต่วิญญาณาขันเนี่ยมันต้องทํางานร่วมกับเจตสิก ค, คือเอ้เวทนาสัญญาสังขานมันต้องทํางานร่วมกันพระพิธรรมเขาจึงสอนรูปรูปรูป ก, ก, ก็คือร่างกายจิตจิตก็คือวิญญาณาขัน เจตสิกเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารคือไอ้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็กระทบแล้วมันีความรู้สึกกับสิ่นั้นอย่างไรแล้วก็สัญญาจําได้ไหมรู้สังขารก็คือไอ้ความคิดไอ้ความปุงคิดคิดปรุงก็คือเวลาวิญญาณาฐานเนี่ยหรือจิตเนี่ยไปทํางานเนี่ย มันจะฟังไอ้เจตสิกมันจะขึ้นมาประกอบเกิดขึ้นมาประกอบเสมอมันจะทํางานเดียวๆไม่ได้วิญญาณขันเนี้ยังนั้นการพิธรรมเนี่ยรูปจิตเจตสิกนิพพานเนี่ยรูปก็คือร่างกายจิตก็คือวิญญาณขันแล้วก็เจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเจตสิกอ่าก็แปลว่าสิอาการของจิตเนี่ยที่เกิดพร้อมกับจิตคือเกิดพร้อมวิญญาณระดับพร้อมวิญญาณ เริ mira, de de <CH> ่จะไปแยกส่วนได้ไงมันแยกส่วนไม่ได้หรอกมันก็พอไปรู้อะไรมันก็รู้เป็ดเสร็จทีเดียว่านี่คือคนคือล้มตาจําได้ไมาได้คือล้งตาจําได้ไมาได้คือพระไม่ใช่เป็นโยมมันรู้รู้ปุ๊บก็รู้เบ็เสร็จนี่คือธรรมชาติคือเพราะอะไรเพราะไอ้วิญญาณขันเนี่ยไปรู้อะไรคือคือไอ้วิญญาณขันเราจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนรู้ไอ้วิญญาณขันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนรู้แล้วพอตัวเราเนี่ยรู้อะไรเสร็จปุ๊บ มันก็จะรู้เบ็ดเสร็จว่าเนี่ยมีความรู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรแล้วก็มันจำได้ว่าเป็นใครเป็นใครแล้วมันก็เบ็ดเสร็จเลยว่าอ๋อคนนี้เราเคยเจอมาก่อนแล้วเจอกันที่ไหนอย่างไรมันก็เบ็ดเสร็จเลยเนี่ยคือมันทํางานพร้อมพ้อมกันไอ้นี่เละลูกลูกคือร่างกายจิตก็คือวิญญาณขันแล้วก็เจตสิกก็คือเวทนาสัญญาส่างกายวิญญาณแล้วก็นิพพานมีสีอาลูกจิตเจตสิกนิพพาน นิพพานก็คือพ้นหมดเลยพ้นจากลูกพ้นจากจิตแล้วจากเจตสิกเจตสิกนี่เขาไม่ได้รวมลูกไปด้วยไม่ถล่มไม่รวมเพราะมันอย่างเงี้นะลูกก็คือร่างกายแล้วก็จิตแล้วก็เจตสิกแล้วก็นิพพานนิพพานคือพ้นหมดเนี่ยีน้เวลาว่าปฏิบัติปฏิบัติยังไงอะรู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติก็คือว่าอก็สเกตเวลาตาเราเดียรู้แล้วเนี่ย วิญญาณขันเนี่ยไอขันห้าเนี่ยมันมีอยู่มันมีร่างกายเราก็พวกเราไปเห็นแล้วไอเวทนาก็คือมีความรู้สึกสบายใจไม่สบายใจสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจเห็นแล้วสบายกายสบายตาสบายหูสบายใจไอเนี่ยมันคือเป็นปัยผูกเวทนาเห็นแล้วดิเินแล้ไม่สบายตาไม่สบายหูไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เป็นปัยผูกเวทนาเราก็รู้กันอยู่ไอส่วนสัญญาเราก็รู้ว่าจําได้ไหมรู้จําอะไรว่าอะไรเป็นอะไรมันก็รู้เราก็รู้กันอยู่ไอสังขาความคิดปรุงปุงคิดว่าเส็จเสร็จแล้วว่าสปใขรไปใครู้อยู่ แต่เราไม่เคยเจอเจวิ ญ, ญญาณาขันเราเริเออ่เซอร์ตอนนี้เวลาปฏิบัติเพราะอะเวลาเราเห็นคนเราก็เลยเห็นแต่คนเราบอกว่าเราจะละปล่อยวางขันห้าจนถึงวิญญาณาขันแต่เวลาเราเห็นคนเราเห็นแต่คนแต่เราไม่เห็นวิญญาณทํางานว่าวิญญาณามันทางานปุ๊บมันทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้แล้วก็มีความรู้สึกในรู้นั่นแน่คือเวทมีเวทนา น, น่ะแล้วก็จําได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็คิดด้วยแล้วก็คิดปรุง ดังนั้นเวลาตาเราเห็นรูปเนี่ยไอ้วิญญาณขันก็คือเราจะรู้สึกที่ตัวเราเนี่ยแหละวิญญาณขันเนะี่ยเพราะใครเป็นคนรู้กับตัวเราเป็นคนรู้มันก็เลยรู้สึกว่าไอ้รู้เนี่ยคือตัวเราเป็นคนรู้ไอ้ท่านที่รู้ที่บอกว่ารู้อะไรแล้วรู้สึกว่าผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้เนี่ยแท้จริงตัวนั้นน่ะเป็นวิญญาณขันว <sack. S 1> ิญญาณขันคือเรารู้อะไรเนี่เราจะรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนรู้หรือตัวผู้รู้ก็คือตัวเราอันนั้นคือวิญญาณขันแล้ววิญญาณขันเนี่ยรู้พวกมันจะส่ง่งต่อเวทนาสัญญาสังขารมัันน่ววกะ จิตกับเจตสิกกับวิญญาณาขันธ์กับเจตสิกคือเวทนาสัญญาตราขาันเนี่ยพอรู้อะไรมันก็ต้องมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไรแล้วก็จําได้หมายรู้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยตัวนี้รเข้ า, าใจอย่างเนี้ยเป็นที่ปฏิบัติก็คือเวลาตาเราเห็นคนแล้วก็ฝึกสมัยแทนที่จะเราเนี่ยไปไปไ ป, ไปยุ่งวุ่นวายแต่กับคนเราก็ดูที่วิญญาณาขันธ์ก็คือตัวเรานเนี่ยที่รู้สึกว่าเป็นผู้รู้นเนี่ย ดูที่ตัวเราที่ดูผู้รู้ที่ตัวเราคือผู้เราตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้รู้ที่ตัวเราอะมันมีความมันมีความรู้สึกมีความคิดอย่างไรมันทั้งรู้ทั้งคิดอะพูดง่ายก็หแล้วคือทั้งรู้ทั้งคิดอะตัวเราเนี่ยรู้อะไรต้องคิดด้วยคิดปรงปรุงคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดเนี่ยเราก็ดูที่ตัวเราเนี่ยนะทั้งรู้ทั้งคิดมันก็ขอบตาเห็นูกินก็ทั้งรู้ทั้งคิดแต่ลูกหูฟังเสียงเมื่อทั คนส่วใหญ่ท <the gas vens> ี like ่ไม่ได like <the> ้ฝ <ặ> <nik> no ึกปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีโอกาสพ้นทุกข์มันคือเห็นอาหารก็กินกันแต่อาหารเห็นแต่อาหารแต่เมื่อเราเห็นอาหารเนี่ยไอตัวเราเนี่ยมันไปรู้อาหารเนี่ยคือตัวเราคือวิญญาณฐานเนี่ยจิตหือวิญญาณฐานเนี่ยมันไปรู้อาหารว่าต้องทั้งรู้ทั้งคิดอาหารนี่อร่อยเว้ยไอ้นี่ไอ้นี่มันคืออะไรเป็นอะไรนี่ปลานี่เป็นแกงนี่เป็นต้มยำนี่เป็นอะไรเออใครทํามาบ้างก็คิดอยู่เนี้ลเอออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรู้ต้งคิดต้งรู้ต้องคิดเลยแต่ตัวเราเนี่ยแล้วก็พอไปรู้อะไรอาการทางใจ รู้ทำอารมณ์หรือว่าการดึงใจเช่นอาการฝ่ า, า, รายฝ่ายที่เป็นกุศลอ่าหรือว่าฝ่ายที่เป็นอกุศลหรือว่าเป็นฝ่ายที่ถูกใจคือโปรงโล่เบาสบายว่องว้ า, วาสบายใจสบายกายสบายใจกับปัญาการที่ฝ่ายไม่สบายกายไม่สบายใจฝ่ายทุกขเวทนาเนี่ยนะพอไปรู้อาการแบบ น, นี้ที่เป็นรำอารมณ์เนี่ยก็เราก็จะไปยุบวายกับไปในทำอารมณ์ เดี๋ยวยืมเงินไปกับทำอารมณ์เราก็ดูที่วิญญาณขานว่าดูว่าไอ้ผูดเราไอ้ตัวเราเนี่ยผู้ไปรู้อาการเนี่ยแล้วพอมันมีมันรู้ว่ามีอารมณ์มีอาการอย่างเงี้ยในใจเราเนี่ยแล้วมันมันทั้งรู้ทั้งคิดยังไงเออมันทั้งรู้ทั้งคิดยังไงก็ตอบมีมีพฤติกรรมมีการแสดงกิริยาการต่อไออาการที่เกิดขึ้นในใจเราอย่างไรเช่นมันโป่งโล่งเบาสบายแล้วก็ยิ้มแข่งชอบใจเพลิดเพลินกับมันมันไม่เป็นรู้แล้วเป็นหลง พรอาการที่ไม่สบายใจมันแน่นมันอัดมันทึบมันมีอาการแช่แช่เหมือนในการแย่แย่ของวายตีปรตีไพรพูดวายแต่อาการเนี่ยแต่มันไม่เห็นไ้ไอตัวไอวิญญาณขันเนี่ยมันทั้งรู้ทั้งคิดทั้งปูมันวายตีโปรตีไพรต่ออาการเนี่ยมันก็ไม่เห็นแต่มันไปเห็นแต่อาการดิ้นรนแต่อาการอาการไม่ดีจะให้มันหายไปอาการดีๆก็แช่จะจับไว้อย่างเดียวไอผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เกือบร้อยเปเซเป็นอย่างเงี้ยเห็นแต่อาการแล้วไม่เห็นจิตฝึกดูจิตแต่ไม่เห็นจิต เปแต่อาการแล้วไล่แต่อาการอีกพวกหนึ่งก็เข้าใจว่าเข้าใจผิดคือคิดว่าไอ้จิตที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยรับไปสร้างผู้รู้อีกตัวหนึ่งเราต้งเก็บไหมเวลาเรามีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บไอ้บิญาณขันก็ต้องไปธรรมชาติของบิดาขันเนี่ยมันก็ต้องไปรู้ความคิดนั้นแล้วมันก็ไปปรุงแต่งว่าถ้ามันดับความคิดนี้หมดเนี่ยใจมันว่างเปล่าจะเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นพอมีความคิดเกิดขึ้นไอ้บิดาขันเนี่ยมันก็ไปรู้ความคิดนั้นมันก็คิดปรุงว่า เนี่ยต้องไปจัดการกับไ้ความคิดนี้ให้ดับไปใจจะได้ว่างเปล่าจะได้เป็นนิพพานมันก็ไปสร้างคุ้มแต่งไอผู้รู้อีกตัวหนึงมาจัดการเหมือนมือไม้ของไอผู้รู้ผู้จัดการเนี่ยเข้าไปไปดับไปดับความคิดความฝึกไปบ่อยคิดปุ๊บดับปุ๊บคิดปุ๊บดับคิดปุ๊บดับเฮ้อมันทำอะไรอย่างนี้เนี่ยนั่งตั่งทำต่อได้ที่เดินไปเดินตาบางหล่ามัทําอยู่นั่นเนี่ยท่านท่านควรทำอะไรของท่านทําเหมือนบวกระจิงบ้าไล่ขีดอะไรเนี่ยไล่ขีดความคิด ถ้เหมือนความคิดเป็นคู่ชกอยู่บนเวทีพันขึ้นเวทีได้ชกเอาชกเอาชก เ, เอาก็ตกกระเด็นหมดเลยแล้วกล่าว่าเวทีว่างเปล่าก็จะบรรลุนิพพานเ อ, อมันจะบรรลุได้ยังไงว่าตัวเราคาอยู่บนเวทีคระเนี่ยหลายคนก็เข้าใจผิดอย่างนี้ดงั้นถ้าเรารู้ว่าเออในธรรมชาติของใจที่ว่างเปล่าเราสังเกต ด, ดีๆเราจะไปสังเกตสิ่งที่ถูกรู้ไอ้ผู้รู้อะไอ้ตัว เวลาไปรู้รูปเดี๋ยวจเป็นสนใจแต่รูปสังเกตดูไอ้วิญญาณขันเนี่ยมันทั้งรู้ทั้งคิดอะไรกับรูปไปได้ยินเสียงไอ้วิญญาณขันเนี่ยมันก็ทั้งรู้ทั้งคิดยังไงต่อเสียงนั้นจ้าปูกได้กลิ่นมันทังรู้ทั้งคิดอะไรกับกลิ่นลิ้นลิ้นรถมันทั้งรู้ทั้งคิดอะไรกับรถนั้นเวลามีอาการทางกายอาการทางใจมันมีความรู้อาการแล้วนั้นมันทั้งรู้ทั้งคิดต่ออาการทางไหนมันไปแสดงกิริยาแสดงแอคชั่นยังไงดูตรงให้ถึงวิญญาณขันก็คือดูตัวเราเป็นผผูููู้้้้รรรเเเเนนีีี่่่ยยตัวาทป็ ก็คือมไอตัวเราเนี่ยเราเจ้าสุขกับตัวเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นตัวเราก็คือวิญญาณอันขันจิตหรือวิญญาณอันขันดูจิตเนี่ยฝึกจิตเห็นจิตดูจิตก็คือดูตัวเรานี่แน่อย่าไปดูอาการของจิตอย่าไปดูรูปรถกิ่นเสียบสะพัดดูดูตัวเรานี่แน่เนี่ยจิตหรือวิญญาณนี่แน่ก็คือก็คือนี่แ น, น่ดูจิตเห็นจิตก็คือวิญญาณอันันที่แน่คุณตาคะหนูเข้าเข้าพูดตรงนี้ได้ไหมคะว่าตัวอย่างที่หนูเห็นเนี้ยแต่คำ<ด>พูดได้อ่ะคือ ตอนแรกหนูไม่เข้าใจหนเข้าไปวิ่งกับ <defense. S 1> การปรุงแต่งความคิดเ <t> ข้าไปในปรุงแต่งความคิดตอนหลัง <t> มันมันเริ่มแยกแยะถูกมันย้อนมาเห็นตัวผู้คิดเรื่องราวมันไม่เอาอไปหยุดไปรู้ตัวอาการผู้คิดก็คื อ, คอเราที่หลวงตาบอกนะคะมันย้อนไหมเพราะก่อนมันไม่รู้มันทลาไปกับความคิดมันไปอยู่ในความคิดแ ล, ล้วรู้สึกตัวแต่ตอนหลังมันจะย้อนมาเห็นตัวผู้คิดตัวผู้คิด คือเราตัวผู้คิดแต่ไหนที่เราตัวผู้คิดเราตัวผู้คิดนะแน่แนะคือวิญญาณขันธ์แล้วก็เจตสิกมาทํางานร่วมกันเมื่อก่อไม่ทราบวิ่งเข้าสลาไปในอยู uh ่ในความคิดก yeah, ็หาตัวเองไม่เจอตอนหลังมาเริ่มเรียนรู้เห็นชัดขึ้นมามันก็จะย้อนเห็นอาการผู้คิดไม่ใช่เรื่องราวที่คิดหนึ่งเนี้ยค่ะหนงตามันจะแยกอย่างขึ้นมาจะเริ่มอันนี้คือที่หนงตาพูด เมื่อเราเห็นขันห้าครบหมดทุกตัวแล้วเนี่ยง่ายแล้วปฏิบัติอ่ะอมันก็ไปเห็นไอตัวเรานี่ยเนี่ยสุดท้ายก็คือตงทั้งรู้ตั้งคิดตั้งวิญญาขันมาจบที่ตัวเรานี่เนี่ยคือขันห้าสุดท้ายมาจบตรงที่ใจเนี่ยทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดไอจิตหรือใจหรือไอไอเรือวิญญาณขันเนี่ยมันเลยทั้งรู้ทั้งคิดคือมันทำงานร่กับเจตติกทางานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารมันเลยสุดท้ากับใจเรานี่เนี่ยทั้งรู้ทั้งรู้อะไรมันทั้ง สุดทายเาปฏิบัติจริงก็สติตั้งที่ใจดูที่ใจสังเกตที่ใจละที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่ใจนี่สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจอยู่ตลอดเวลามันไม่ไปสนใจแล้วตอนนี้สิ่งที่ถูกรู้เพราะมันมันลุกเป็นแล้วตอนนี้เมื่อเด่นรู้อะไรดูที่ใจก็ไอตัวผู้ตั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดนี่แมันก็ตั้งรู้ตั้งคิดตั้งคิดเรื่อคิดตอนนี้เสอดท้ายก็คือเห็นความคิดที่อยู่ในใจเรา นีก็มัก็เห็นมันถึงตัวหนึ่งหาขันห้าจบมาตัวนี้พอมันไปไปเห็นอะไรภายนอกมันไปรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงคัามคับหรืออาการของใจคือทําอารมณ์เนี่ยมันไม่ไปสนใจสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันเห็นแต่ไอความคิดที่เป็นขันแท้แท้ที่ไม่เป็นตัวหลงก็เป็นกิเลสเนี่ยมันเกิดเกิดดับดับอยู่ในใจตอนนี้มันก็ไม่มีกิเลสมาตัวเนี้ยไม่มีกิเลสแะไรคือหลงหลงที่เป็นหลงไม่ไม่มีแล้วเพราะมันเห็นแต่มันคิดอยู่ในใจทุกคิดคือมันเห็นขันห้าจบจนถึงกระบวนสุดท้ายจนถึงจิตวิญญาณขันแล้ว และรวมทำงานร่วมกับเจตสิกวินาสัญญาทังขานก็คือเห็นนี่มันคิดอยู่ในใจเนี่ไงในใจของเราเนี่ยนะไม่คิดที่ไหนคิดในใจของเราเนี่ยอขันห้าก็คือเราไม่ได้ขันห้าเนี่ยมันก็คิดอยู่ในใจเรานี่ไงก็ถึงต้นสุดท้ายแล้วตอนนี้เมื่อไม่ไม่หลงคิดได้ที่บอกว่าหลงเอาตัวเองไปไปคิดไปมีอารมณ์มันไม่มีแล้วใช่ไหมมันก็ไม่เป็นกิเลสแล้วมันก็เลยรู้แต่จิตที่มันคิดกระดับอยู่ในใจเรานี่อันหนึ่งแล้วก็ไอ้ใจเนี่ยเปลี่ยนเหมือนใจจะเป็นเป็นความว่างเปล่า คือมันเป็นเหมือนกับรองรับอ่ะเป็นมดลูกผู้หญิงเนีเป็นขันหรือมดลูกผู้หญิงแล้วไอ้ไอ้ขันทั้งห้าที่มันที่มันเกิดเกิดดับดับเนี่ยอยู่ในใจของเราเนี่ยมันเหมือนเด็กที่มาเกิดในขันแต่ขันมันไม่เกิดไม่ดับเดิมไปความว่า<ส> <Lights> แล้วก็ไอต้ตัวสังเกตคืออาศัยสติสมาธิปัญญาในขันหน้ามาคอยสังเกตเอาไว้ก็เห็นความจริงอันนี้แล้วเลยสุดท้ายมัีสามตัวมีสามอย่างคื อ, อ, คอตัวสังเกตตัวสติสติสมาธิปั ญ, ญญาในขันหน้ามาใช้เป็นตัวสังเกตวันเลยเห็นว่าเออไอ้ตั้งรู้ตั้งคิดตั้งรู้ ก็คือเราเนี่ยนเป็นคนรู้ตัวหลังมันไม่ไปสนใจมันรู้แล้วเรู้แล้วว่าไอา้เียวมันรวมอยู่ในตัวคิดนี่แนะมันคือมันไปอยู่เรในตัวคิดอยู่ในใจล้านี่แะคือขันทั้งห้าตซ้ามันรวมในตัวคิดอยู่ในใจนี่แะแล้วก็เดี๋ยวมจะตัดตอนนี้เดี๋ยวเวลาิบงไ้าด้เดี๋ยวจะขาดตอนเดี๋ยวิที่อยู่ในใจขึ้นมามันมีทั้งลูกเวทนาจัญญาสังขารมันเออเออมินถูตอนนี้มันก็มันก็สุท้ามนก็เลยการคิดคิดคิดคิดคิดอยู่ในใจแล้วนี่ แ, น, แ น, นี้ แล้วก็มะเลยกายเลยใจมันเพราะไม่ไม่ vale ไมีกิเลสแล้วทัไม่ไม่หลงคิดเพืเพื่อเจริญใจไปไม่หลงคิดเรื่องมีภงแตใเนีอารมณ์ต่างๆก็ไม่มีกิเลสละแล้วว่าไม่ไม่หลงไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตั้งรักทั้งชังมันก็เลยไม่มีกิเลสละมันก็เห็นใจนี่ทั้งวันเลยพราะไม่มีกิเลสมัเห็นทั้งวันเห็นเห็นคิดคิดเรมันก็เห็นใจที่ว่างเปล่าเลยตอนนี้เพราะมันไม่มีกิเลสมั่ก็เห็นใจเป็นความว่างอย่างนี้นะแต่เมื่อไอ้ขัอยู่ไป แต่มันไม่จบอาทำไมไม่จบอากิเลสไม่มีแล้วเพราะว่าหลงก็ไม่หลงหลงคิดเปิดเผยเดินใจก็ไม่หลงหลงไปกับไอ้สิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นความรักความชังก็ไม่หลงหลงไปยุ่งวุ่นวายกับอาการวุนใจก็ไม่หลงแล้วทําไมอาการที่มันโป่งโลบาสบายมันว่างก็ไม่หลงก็ไปติดมันอาการที่มันไม่โป่งโลบาสบายไม่ว่างไม่ถูกใจก็ไม่หลงไม่ไดหลุดผักใส่มันต้องไม่ดูดโดอะไรดูดไปก็ไม่มีอะไรผักก็ไม่มี แต่มันทําไมมันไม่เป็นกิเลสฮะเอ๊ะทำไมม mm ันไม่ยังไม่เป็นนิพพานกิเลสไม่มีแล้วเมื่อหลงไม่มีแล้วรักชังก็ไม่มีหลงคิดปั่นเพลเดินใจก็ไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสไม่มีแล้วแต่ทําไมจึงไม่นิพพานนั่งรอนิพพานเอ๊ะไม่มีมันทําไมนิพพานไม่มาเอะไรเงี้ยมันก็ไม่เห็นเองว่าใ้ใจตรงเนี้ยใจที่มันรอมันปาจฉนาอยู่มันก็เลยยังไม่หยุดรอยังไม่หยุดปาจฉนาก็เลยยังไม่หยุดกิเลส แต่จริงทันหารจริงๆก็คือใจคิดรอพระนิพพานปรารถนาความสุขที่ทุกข์ไม่มีก็คือไม่ต้องรอใช่ไหมคะต้องปล่อยไปเออเห็นนะต้องเห็นนะก่อนนะเห็นใจที่รอว่าไอ้ตัวนี้มันกลายเป็นทุกข์โทษภัยที่แท้จริงที่มบารรมบังทำบังพระนิพพานมันจึงมีริงหยุดแล้วก็วางถ้าไม่มีการรอมีก<อ>ารปรารถนาเนี่ยไม่มีการรอไม่มีการปรารถนาเป็นตามเห็นตาปจาัจอย่ังนี้ก็จะพบพิพพาน เราต้องทําไปก่อนเลยต้องรู้ต้องเห็นไปก่อนรู้เห็นไปก well. ่อนจนถึงที rust. ่สุดแล้วก <frustration> ิเลสไม่มีม <ense Spy fan> ันจึงอกิเลสไม่มีสุดท้ายเนี่ยว่าเดวเองอ่ะพรกิเลสไม่มีแล้วมันก็ไหนแล้วว่าไม่รอเพรกิเลสไม่มีเราก็จะเกิดขึ้นวันทันทีกิเลสไม่มีทําไมจึงไม่เป็นนิผ่านก็แสดงว่าเป็นรอจริงๆแต่ตอนเราตั้งหน้าต่างตาทำเราไม่รู้สึกว่าเรารอก็ราเราตั้งหน้าต่างตาทําจะรู้ละปล่อยวางรู้ละปล่อยวางแต่พอที่ กิเลสไม่มีหมดแล้วเน่ะหลงไปคิดเปิดพวัจิใจก็ไม่มีหลงไปรักไปชังอะไรก็ไม่มีแม้แต่อาการหัวใจที่มันป่วโลคบาหวายก็ไม่หลงไปติดแช่มันไปชอบไปอาการที่ไม่ป่วยโลคบอสบายก็ไม่หลงไปดิ้ลำตับสายมันเอ๊กิเลสไม่มีแล้วทําไมนิผ่านไม่เกิดวะอ้ามันรู้เลยว่ารอแในตอนทํางานอยู่มันจะไม่รู้หรอกว่ารอหรือพิจาไม่มีแล้วจบแล้วเหมือนกับว่าทุกอย่างอ่ะตอนมีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีลูกหลานเต็มบ้านอุ้ยสนุกสนานมีความสุขมากเลย แล้วก็เราไม่รู้เลยว่าความรอเป็นยังไงจนกระทั่งทุกคนน่ะเขาจากไปหมดไปทํางานทําการกันแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวถึงปีใหม่รอแล้วถึงสงการรอรอลูกหลานจะกลับบ้านเมือจะกลับบ้านแต่ถ้ามันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทำงายังทํางานด้วยกันตลอดเวลาเนี่ยมันกมีรู้สึกรอครับตอเจอทุกคนออกไปหมดแล้วเหลือเราคนเดียวเหลือแต่ใจใจที่ใจเดียวผู้เดียวไม่เหลืออะไรแล้วกิเลสไม่มีไม่เหลือเพื่อนแล้วกิเลสสัณหาไม่มีเพื่อนไม่มีแล้ว ตอนนี้เลยรู้ว่ารอรอเอ้ยกิเลสตัณหาไม่มีแล้วรออะไรเายังรออย่างรอพฏิพานมันจะเกิดขึ้นเองเราจึงรู้ว่าดับใจที่รอนี่คือคำของพระพุทธเจ้าเลยพอตับสรู้พพระพุทธเจ้าตัดสัตวรู้พวกพระุเจ้าลำพึงขึ้นมาเลยว่าเพราะความปรารถนาความสุขหมดไปความทุกข์จึงหมดไปพร้อม พันิพานก็เข้ามาสวงเพราะความป่าเถนาความสุขหมดไปพระองค์เนี่ยมาดับตัวนี้ตัวสุดท้ายพระองค์ก็ดับตัวนี้ตัวสุดท้ายนะเพราะตัดไว้ในคิริมานุนทสุดตัดกับพระ อ, อนนท์ว่าพระนท์เราตถาคตเน่ยพยายามเนี่ยกําจัดทุกให้หมดสิ้นไปให้เหลือแต่ความสุขอย่างเดียวทุกไม่มีเข้าใจว่าที่สุดของ ความสุขนั่นแหละคือความทิ้นทุกแท้จริงอะ่ะเพียรอยู่หกปีเต็มไม่สามารถกําจัดทุกข์กันหมดไปเหลือแต่สุขเพียวๆได้เจ้าพระองค์มาคนพบตัวสุดท้ายว่าเพราะความปรารถนาความสุขยังเหลืออยู่จึงดับความปรารถนาความสุขนี้ปรดับความปรารถนาความสุขเนี่ยเพราะโบจิคําอ่ะเมื่อ ความปัถนาความสุขหมดไปความทุกข์ก็หมดไปพร้อมก็รู้เป็นพ ร, ระนิรุปนิมภะตาลังสมาตปุตตจาร์ทีบอกว่าไอ้ตัวทุธาจึงกว้างใหญ่ตัวปัตนาตัวรองใ <c oughs> นนั้นก็รู้อีกคําเดียวก็คือว่าพอทําไปมันจะมีเพียงสามตัวมันเกิดขึ้นพร้อมกันตัวเห็น ตัวใจที่ว่างตัวขันท่าที่ปลงออกจากใจสามตัวนี้เขาจะเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่ตลอดเวลาตอนแรกหนูก็รล้วา เ, าเกิดเือตัวแยกกันทำงานคนละหน้าที่แต่อยู่พร้อมกันเราเราเร า, เราพูดอย่างนี้เพราะว่าเราเคยเห็นคนสอนผิดมีผู้สอนผิดมีพานี่สอ น, ส, อนสอนผิดต่อหน้าเราเลยแล้วหลายท่านสอนผิดเยอะมากเลยแลวปฏิบัติผิดด้วยบอกว่าให้ปฏิบัติเนี ให้มีแต่วิญญาณขันเนี่ยไปรู้แล้วไม่ให้ส่งต่อเวทนาไม่ให้ส่งต่อไม่เวไม่ให้ส่งต่อขันอื่นให้เหลือแต่วิญญาณขันเนี่ยรู้เปล่าๆคือให้รู้อะไรเนี่ยรู้แต่เป็นโครงสร้างอย่างเช่นรู้รู้รถอย่างเงี้ยรู้รถรู้คนเนี้ยไม่ให้รู้ว่าเป็นคนรู้ตู้เย็นอย่างเงี้ยรู้รู้อะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างเนี่ย อย่างลูกขวดน้ําอย่างเงี้ยให้วิญญาณขันเนี่ยวิญญาณขัญญาานก็ทําหน้าที่คือรู้แต่โครงสร้างแล้วก็จะส่งต่อเวทนาคือมีความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งเหล่านี้อแล้วก็สัญญาคือจําได้ไหมรู้แล้วก็ไปส่งต่อความคิดว่าอะไรเป็นอะไรนี่อะไรเป็นอะไรนี้เป็นคนนี่เป็นขวดน้ำํำนี่เป็นสัตว์นี่เป็นเสียงโน้น ون, เสียงนี้เนี่ยแต่หลายท่านที่มาหาเราเนี่ยท่านฝึกให้เป็นแต่วิญญาณขัน ให้รู้รถก็ให้รู้ว่าเนี่ยเป็นรถไม่รู้ว่เป็นเสียอะไรยี่ห้ออะไรเป็นอะไรของใครทุกอย่างฝึกอย่างนี้หมดก็นี่เนี่ยฝึกที่เป็นปรามัดท่านบอกว่านี่คือฝึกปรามัดเนี่ยแล้วก็บริญญาผ่านฝึกปรามัดแต่ปรามัดของท่านอ่ะมันดับนะมันดับขันห้ามันเอาขันห้ามาทํางานตัวเดียววิญญาณขันแล้วมันทําได้ไงขันห้ามยังไม่ตายอ่ะมันต้องทํางานร่วมกันแล้วพระพิธรรมก็เอ้ จิตหรือวิ ญ, ญญาณเนี่ยมันทํางานร่โลกจิตสิก ค, คือเวทนาสัญญาทังขาววิ ญ, ญญาณเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเอาแล้วไปไปแยกไปไงมแยกไม่ออกไม่เข้าใจท่านปัใจไอ้ธาตุรู้ที่เป็นธรรมชาติแท้ๆที่เป็นใจที่วางเปล่าเนี่ยไปเป็นตัวเดียวกับวิ ญ, ญญาณาขันและท้าไปสุดที่ตัววิ ญ, ญญาณาขันให้มันรู้แต่จริงๆอ่ะมัน ไอตัวขันห้าเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในใจในในในธรรมชาติของใจที่ไม่เกิดดับเป็นมันจะเรียกว่าใจอยู่ที่เรียกอะไรก็ได้คือมันมีความว่างเปล่าอีกอันหนึ่งที่มันเป็นความรู้อยู่แต่มันไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่เป็นขันห้าพระเจ้าตัดว่าเนี่ยร่างกายจิตใจเราประกอบไปด้วยอะไรละประกอบไปด้วยธาตุดินที่เป็นของแข็งดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตุรู้ที่ว่างเปล่าแล้วมัีห้าธาตุแต่บวกอากาศด้วยก็เป็นหกธาตุตัวนี้ ร่างกายก็ที่เป็นธาตุดินก็คืออลผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูตตตตตกตับไตไตน้อยไตใหญ่ม้ากรปอดหัวใจส่วนที่เป็นของแข็งถ้านาน้ำก็น้าเลือดน้ําเหลืองน้ําลายน้ําปัสสาวะเนี่ยน้ําไขมันก้นน้ํามันเหลวที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยน้ําเนี่ยเราดื่มไปทุกวันทุกวันแล้วทานลมก็เนี่ยลมหายใจที่เราหายไปแ ล, วล้วก็ธาตุความร้อนความอบอุ่นเะนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปตากแดดไปกินอาหารอะไรก่อนเกิดพลังงานเคลื่อนไหวทําให้เกิดความร้อนเนี่ยในร่างกายเราถึงมีชีวิตยอยู่ได้แล้วก็ธาตุรู้ที่เป็นความว่างเป่าคือธาตุจิตธาตุใจเนี่ย ไอ้ส่วนร่างกายเนี่ยที่เป็นของแข็งมันก็อยู่เป็นส่วนประกอบของล่างคืออวัยวะที่เป็นของแข็งไอ้ส่วนที่เป็นของเหลวมันก็ประกอบเป็นส่วนน้าร่างกายส่วนที่เป็นลมหายใจมันประกอบเป็นส่งนี่ลมหายใจเข้าหายใจออกลมตดลมเลอะลมอึอักอึอากลมไม่ท้องในไส้มันประกอบเป็นส่วนร่างกายส่วนฟาดไฟมันก็มาใช้เป็นความอบอุ่นในร่างกายไอ้ส่วนท่านรู้หรือท่านว่างเปล่าเนี่ยหรือ หรือธาจิตหรือวิญญาณธาตุอะไรก็ได้เรียกว่ามันเป็นเป็นเป็นธาตุญาณนี่มันมีความรู้แต่มันว่างเปล่าเหมือนกับจักรวาลเหมือนควาว่างเนี่ยอีกธาตหนึ่งมันเป็นส่วนประกอบที่ประกอบกับร่างกายส่วนให้เป็นเวทนาสัญญาสังขารคือฝ่ายที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันแลก็ฝ่ายที่เป็นทำให้เกิดการรับรู้จมตาหูจมลิ้นกายใจคือประกอบประกอบมาเป็นฝ่ายที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นน้าฝ่ายนำมารมแต่ดินน้ําลมไฟมันประกอบมาเป็นส่วนรูปธรรม เอาพระพุทธพุทธก็ตัดอย่างนี้อยู่แล้วแล้วธาตุมันยังอยู่เนี่ยพอประกอบไปเป็นขันธ์ห้าเป็นร่างกายจิตใจแล้วไอ้ธาตุพวกนี้มันไปไหนมันยังอยู่ดินน้ําลมไฟแล้วประทานรู้ที่ว่างเปล่านันก็ยังอยู่ของมันนั่นแหละแต่มันมารวมกันเป็นเออประกอบขึ้นมาเป็นเป็นขันธ์ห้าเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ขันธ์ห้าเนี่ยมันไม่ไปทําลายธาตุได้นะ ก็ไอันห้าไอส่วนท่เป็นธาตุดินก็ยังคงเป็นธาตุดินเนืคือผมกรันหนังด้วยเอกระดูกตับไตเส้น้อใหญ่มาตอปท่ใจมันไม่ได้ไปทาลายธาตเมื่อเป็นขันหาคือมีลูกล่าที่มีความรู้สึกมีคิดอารมณ์มันไม่ได้ไปทาลายน้าน้ามันจะเป็นดื่มก็ไปัเป็นน้าเลือดน้าเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะก็ยังคงอยู่ไอ้น้ลมหายใจมันยังเป็นลมอยู่เนี่ยมันก็เป็นลมหายใจเข้าใจออกลมจดลมเลอไอธาตุไฟมันก็ยังเป็นมันก็ยังเป็นไฟอบอุ่นในร่างกายเราทานรู้ที่เป็นความว่างเปล่า มันก็คงเปทานาสรู้ที่เป็นความว่างเปล่านั่นแหละไม่ใช่ว่าพอเป็นประกอบเป็นขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้าไปทําลายธาตุไม่ใช่เขาก็จะว่าเขาเถียงมากเลยว่าเนี่ยมีแต่ขันธ์ห้าไม่มีอีกแล้วเกินกว่าห้าไม่มีอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วธาตุพวกนี้ที่ประกอบกันไปไหนอะมันก็เลยไปไม่ถูกเลยเนี่ยพ่าปฏิบัติเงี้ย ก, ก็ไปทําที่วิญญาณขานเลยทะอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะไปทําให้เป็นรู้ซื่อสักแต่วรู้รูปเปล่าเปล่าบริสุทธ ก็เลยไปทําที่ไหนอะเมือม่อเ ม, ม่มีท่านรู้เขาก็ไปทําที่วิญญาณาขันให้มันรู้ทุกอย่างรู้แต่โครงสร้างห้ามรู้อย่างอื่นแล้วก็รู้เปล่าเปล่ารู้ว่างว่างรู้ไปสุดรู้แต่โครงสร้างอ่ะเดี๋ยวมันก็เออไปเลยเดีไม่รู้อะไรเป็นอะไรเห็นอะไรไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันก็เออไปไงมันก็ลายเป็นคนเออไปเอออยู่เป็นเอออยู่เป็นแถวเป็นแถวเนี่ยแล้วก็งงมากเลยเนี่ยแล้วคนสอนน่ะผู้สอนน่ะทะเลาะบาะแว้งมีปัญหามากเลยอุ้นวายจนทุกวันเนี่ย พื้นวายละพูดบายกับญาติโยมทะเลาะ ก, กันอุตลุดไปหมดหละที่แรกกับเราก็ไปสอนจนเราไม่เข้าไปสอนเลยมันอุตรุดไปทะเลาะอุต ล, ลกกยุ่งวุนวายที่สุดกลายเป็นผู้ที่สอนแบบนี้กลายเป็นพู้นวายที่สุดเลยในทุกที่เพราะว่า <c oughs> มันยังไงอ่ะมันไปเห็นแต่โครงล่างแต่ตัวเองอก็บนแล้วก็ตัวเองเจ้ากี้เจ้าการเจ้าวุดนเจ้าวายกับไม่เห็นงงมากเลยลมันรู้ก็มันรู้ว่าฝึกยังไงจนก็บอกว่าอาจารย์ช่วยไปขอร้อง ท่านที่สอนความว่างเนี่ยให้ไม่เข้าคัวหน่อยได้ไหมอาจารย์ยุ่งที่สุดเลยไอ้ น, นี่ก็ไม่ถูกใจไอ้ น, นี่ก็ไม่ถูกใจทำไมยิ่งต้องวางยิ่งทำไมนี่ทำไ ม, ำ ไ, มไม่ทำนี้ทำไมอย่งนี้เอาเรามฝึกรู้ว่างอย่างไรว่าเปล่าเปล่าโพลสุดแต่มาเนี่ยยุ่งที่สุดเลยกับทุกเรื่องแล้วมีนักบวชบางคนมาหาเรเนี่ยว่างว่างอย่างเดียวว่างอย่างเนี้มานานหลายปีแล้วแต่มันอยู่ตอนน้นเนี่ยโทรศัพท์ตลอดเลยเหล๋ยโท เดี said, ๋ยวโทรไอคนอื said, eaten, eaten ่นาก็จะฟังครับโทรอู said, schön, ่น so ั่นแหละแล้ววาเดียเดี๋ยวดีขอโทษทีโทรโทรไปไหนอ่ะก็โทรมาหรือโทรไปโทรไปโทรไปแล้วโทรไปไหนอ่ะโทรไปหาใครอ่ะเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเนี่ยโทรไปบอกลูกศิษย์ทั้งหลายว่าอาจารย์มาอาจารย์มานี่กำลังคุยอยู่กันลูกอาจารย์อยูเนี่ยเรากุยอาจารย์โอ้ยเช่ยสาละเลยเมันว่างอะไรเนี่ยมันพูดจริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโยมก็เลยบอกว่าฟุ้จะตายน่ยพุกสั้นเนี่ยโยมก็เลยว่าเอาตอนนี้โมโหใหญ่ โอเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเออมันมันมันไปฝึกวิญญาณเนี่ยมันมันทำงานไม่ร่วมกับเจตสิกมันไปทําได้ยังไงอ่ะอืมเพราะเนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจผิดเออทําแล้วมันถูกซก่อนนะเข้าใจมันถูกต้องถ้าเกิดเนี่ยหลูกตามหาบัวก็บอกว่าเออมีใจที่มันไม่ใช่ขันห้ามันใจนี่มันอยู่นอกขันห้าอีกใจก็คือไอ้ธาตรู้เนี่ยมันอยู่นอกขันห้าแต่คนทั้งหลายเนี่ยมันก็พยายามเข้าใจผิดอีกอันหนึ่งคือ มันไม่มีกิเลสแล้วทําไมัมนไม่ว่างว่าทําไมใจแต่มันไม่พ้นทุกมายึดเอาใจจะให้พ้นทุกอีกอันหนึงแล้วมาวางใจที่จะให้พ้นทุกยิ่งจะมรุนที่ผ่านไปเออมันมีอีกตอนขั้นตอนหนึ่งท่านก็นมาบอกอย่างเงี้ยหลวงตาไอ้ตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรอย่างเอาปล่อยไอ้ตัวสติตปัฏฐานตัวล้วจะรู้นี่นะพอปล่อยรู้รู้เสร็จมันจะเจอตัวไห แล้ว จ, า, จากปล่อยรู้เนี่ยมันจะตลายเป็นว่างว่างไปหมดเลยแล้วทีนี้จะเป็นรู้อยู่ครับไอ้ผมคิดว่าราตุรนูะ้เนี่ยรู้อยู่แก่ตัวเนี้ยที่รูเ้เฉยๆนะรู้เสื่อๆนะไอ้นี่ตัวอะไรที่เป็นรู้อยู่กับตัวตัวเนี่ยไม่ใช่ธาตรู้หรือเป่าไอ้ตัวนี้ยไอ้ตัวที่ว่างว่างเนี่ย มันเรียกว่าธทำอารมณ์มันเป็นสภาวะหลายคนที่หายไปเลยนะตัวสติปัฏฐานที่ว่าถูกต้องถูกต้องต้องไอตัวไอตัวที่สติที่มาคอยคอยรู้คอยตั้งใจหายไปหมดเออหรือแต่ใจที่ว่างเปล่าว่างไปแล้วก็ผู้ที่รู้ความว่างนั้นอ่ะตอนเนี้ยผมเคยหลงตัวนี้อยู่นานผมก็นึกว่าเนี่ยเคยใช่เลยสภาวะเนี้ย แล้วก็ไปอยู่กับไอพิมพว่างว่าปล่าไว้เนี่ยแต่จริงอันเนี้ยหลงผมหลงอยู่นานเลยแล้๋ยวผู้ไทยมันเป็นอย่างเงี้ยสักพักมันคืนตัวผมเป็นบ่อยมากเลยแล้วมันคืนตัวผมก็คิดว่าถ้านเป็นอย่างเงี้ยทีตีแล้วเดี๋ยวจะบรรลุนิพพานเป็นถาวรเลยแตก็เจอผิดไม่ใช่อจนทั้งผมมาสังเกตเห็นย้อนเข้ามาดูตัวผู้รู้ผู้รู้ความว่างว่าไะฟังอ่ะดูไอปัญญาณาขันเอง โดยผู้รู้เนี่ย ค, อญญญคือวิญญาณทหารจิตวิญญาณทหารเนี่ยมันพูดว่าอะไรมันติดต่อกาอย่างไงผอมันว่างว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันทวนกระแสก้าวไหวยาวิ ญ, ญญาณทัารหรือผู้รู้ที่มันมันมันต้องรู้ต้องคิดติดต่อรู้ต้องคิดติดต่อพอว่างว่างแล้เนี่ยมันคิ ด, คดว่าอะไรมันคิดไปอย่างไงมันติดต่อกปอย่างไงเช่นมันติดตอ่อกันทุกอย่างมันหายไปหมดเลยเกิดจาความว่างเปล่าเลย ไอ้อย่างเงี้ยมันคืออะไรวะเราไม่เคยเห็นมันเลยมันเรียกว่าอะไรมันมีชื่อเรียกว่าอะไรไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรไอ้แล้วตรงเนี้ยถ้าเราเกิดขึ้นบ่อยๆยมันเกิดขึ้นได้ยังไงถึงเกิดแบบนี้แล้วมันเกิดแบบนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันเป็นถาวรมันคุณปณิธานที่ตรงนี้มั้งวป่าเดี๋ยเราก็จะมีตัวที่ติดต่อตัวเนี้ยแล้วอ๋อมันไม่ได้มีแต่ความว่า มันมีตัววิญญาณาขันเนี่ยที่มันส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันคิดติดตองคิดติดต่อแล้วก็มันส่งต่อวิญญาณาขนันตัวใหม่ๆส่งต่อไปเรื่อยๆมันก็จะติดต่องไม่หยุดเพราะไปเห็นตัว น, นี้เสร็จเลยมันไปสนใจตัวว่างว่าบ้างว่เลยมันเราไม่เห็นตัวเราเนี่ยพูดไมห่หยุดเลยพูดไม่หยุดคิดไม่หยุดพูดอยู่คนเดียวอ่ะพูดอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวคิดติดตองอะไรมีอะไรก็เห็นอะไรรู้อะไรมีสภาวะว่าอย่างไงเป็นสภาวะที่ถูกรู้สภาวะที่ถูกรู้แต่ไม่สนใจสภาวะที่ว่างว่าติดต่อไปแล้ว ไม่เห็นไใ้ตัวเราจะพูดไปหยุดบ่ไม่หยุดเลยไม่เห็นวิญญาณขันธ์หรือจะมันรู้ว่าวิญญาณขันธ์แท้แท้ก็มันคือไอตัวผู้รู้นี่เองที่มันทํางานร่วมกับเจบตสิกคือมันรู้แล้วมันคิดติดต่อพูดอยู่นั่นแน่คนเดียวแล้วก็มาเห็นตัวเนี้ยแล้วก็สักสบรู้แต่เห็นในตัวนี้ไอตัววิญญาณไอจิตหรือวิญญาณขันธ์ที่มันคิดติด ต, ต่อไม่สนใจสภาวะใดต่อไปแล้วก็ผมเห็นตัวนี้แล้วแต่ล้วก็มาปล่อยวางไงไปวางในตัวเราที่ขี้บนเนี่ย ที่พูดจบคนเดียวคิกินเดียวปล่อยวางไปขันห้าไปครบ ต, ต้องจริงจังมากแลก้รับตอนช่วงหลังจริงจังมากไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนจริงจังมากไปมันจะมีตัวเพิ่มอันเดียวกหลวงพ่อมันจะมีตัวเพิ่มเข้าไปจริงจังเออปกตินั่นแหละแต่ปกติแบบยังไงล่ะไม่ทิ้งตัวสังเกต มปกติแบบไม่ทิ้งตัวะเกตแต่ตัะเกตก็ไม่ได้พิจัยนะัะเกตยบเพื่อเห็นความจริงให้เถอแล้วจุดๆุด้แล้วจึงพกก็จับตดได้ล้วครับาอกมาไ่จับดได้ เ, เ า, มมา จ, ดดเลเจาแล้วเราผมจะพูดต่อใจที่สงบไปได้ใจแน่ที่สุดแล้วมันจะเลยคันที่ทันถามทั้งหมดไปเลย ใ, ใจที่สงบ มันรู้จะพูดอะไรอะไรนะมันเลยไปอีกมันเลยตัวสังเกตเลยตัวว่างว่าบแล้วเลยตัวที่ที่พูดได้ไปคือมันไปไปให้ค่ากับสิ่งเหล่านี้เลยเราจะพูดอะไรตอมันพูดไม่ออกมันเงียบไปเลยสงบมันรู้จะพูดอะไรเงียบเราเป็นคนทเงียบนฮแล้วก็เงียบอย่างนี้นะแล้วก็มันไม่ไม่ไปหาเหตุบนอะไรอีกนะ แม้จะมีตัวหาเหตุผลอะไรมามันไม่ไปยุ่งกับตัวหายเหตุผลที่ต่อไปคือในความเงียบก็มีตัวหาเหตุผลๆแต่มันไม่ไม่ ained, ไปย mm hmm. like right. <least itu>? <choices> ุ่งก right. right. ับตัวหาเหตุผลนี้ต่อไปคือมันพ้นจากตัวเราผู้หายเหตุผลแล้วมันพ้นจากตัวเราผู้หายเหตุผลคือแม้กต่จะมีตัวผู้หาเหตุผลอยู่แต่ใจเราสงบระว่างเตาไปแล้ว